การที่พวกเราเข้าหาพระพุทธศาสนาเข้ามาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมก็เพราะว่าเรายังมีปัญหาคือเรายังมีความไม่สบายใจยังมีความทุกข์ใจและเรายังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ใจ ให้หมดไปได้เราจึงต้องเข้าหาพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็นคําสอนที่จะสอนให้เรารู้จักวิธีดับความทุกข์ใจให้หมดไปความทุกข์ใจนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าเกิดจากความอยาก และความอยากนี้ก็เกิดจากความหลงความหลงก็คือไม่รู้ความจริงว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่เที่ยง มีการเกิดแล้วต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาสิ่งต่างๆในโลกนี้เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ได้สิ่งต่างๆทั้งหลายเป็นสิ่งที่ เคลื่อนไหวไปเปลี่ยนแปลงไ ป, ไปตามเหตุตามปัจจัยไม่อยู่นิ่งไม่คงเส้นคงวาไม่ไม่เหมือนเดิมถ้าเราอยากที่จะไม่มีความทุกข์ใจเราก็ต้องหยุดความอยากที่จะให้สิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นไปตามความต้องการของเรา เพความต้องการของเราความอยากของเรามันไม่เป็นไปตามความเป็นจริงนั่นเองคืออยากแล้วก็ไม่ได้ดังใจอยากอยากเท่าไหร่ก็จะไม่สามารถที่จะได้สิ่งที่ตนเองอยากได้เราอยากได้อะไรกัน เราก็อยากได้ความสุขที่เราจะได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้ซึ่งความสุขในของต่งจากสิ่งต่างๆในโลกนี้มันมันไม่มีหรือถ้ามันมีก็มันก็เป็นความสุขปลอมมันไม่ใช่เป็นความสุขจริงไม่ว่าเราจะได้อะไรมา เราก็จะต้องทุกข์กับสิ่งที่เราได้มาเสมอไปเพราะว่าสิ่งที่เราได้มานั้นจะต้องมีการเปลี่ยนไปแล้วก็ต้องมีการเสื่อมและมีการดับไปนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะดับความทุกข์เราก็ต้องหยุดความอยากอยากจะให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ หรืออยากจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้การที่เราจะหยุดความอยากได้เราก็ต้องหยุดความหลงเราต้องสอนใจให้รู้ความจริงเพราะว่าความจริงนี้จะทำให้เราไม่หลงถ้าเราไม่รู้ความจริงเราก็จะหลง หลงก็คืออยากจะได้สิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้หลงคิดว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เป็นสุขหลงคิดว่าสิ่งต่างๆทั้งหลาย น, ลนี้ในโลกนี้เที่ยงแท้แน่นอนคงเส้นคงวาหลงไปคิดว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เราสามารถควบคุมบังคับเขาได้แต่ความจริงแล้ว เราไม่สามารถที่จะควบคุมสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามต้องการของเราได้เสมอไปเพราะสิ่งต่างๆเขามีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาเมื่อเขามีการเปลี่ยนแปลงไปเขาย่อมให้ความทุกข์ความผิดหวังกับเราเพราะเราหวังให้เขาเป็นอย่างนี้แต่เขาเปลี่ยนไปเป็นอย่างนั้น ดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะคอยสอนใจของเราอยู่เรื่อยๆก็คือความจริงของสภาวธรรมทั้งหลายในโลกนี้ว่าไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆตลอดเวลามีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมไปมีการหมดไปเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับ ให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราได้เพราะความต้องการของเราก็คือเราต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างคงเส้นคงวาเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ความสุขกับเราเหมือนเดิมแต่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้เขาเป็นเหมือนเดิมได้ให้ความสุขกับเราไป ตลอดเวลาได้นี่คือสิ่งที่เราควรจะคอยสอนใจเราอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่สอนใจแล้วความหลงก็จะหลอกให้เราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เราสามารถควบคุมบังคับได้สามารถสั่งให้ให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาสั่งให้อยู่เป็นเหมือนเดิม ได้ตลอดเวลานั่นเองเช่นเราต้องพิจารณาลาบยศสารเสริญลูกเสียงกลินลสโภทภพฐะว่ามีเจริญก็มีเสื่อมไปเป็นธรรมดานงินทองที่เราได้มาก็คือลาบยศก็คือตำแหน่งต่างๆที่เราได้มา สรรเสริญที่เราได้มาลูกเสียงกลิ่นรสปุถะพระชนิดต่างๆที่เราได้เสพได้สัมผัสมีส่วนที่เจริญแล้วก็มีส่วนที่เสื่อมไปเป็นธรรมดาเงินทองบางวันก็ไหลามาเทมาบางวันก็มีแต่ไหลออกไปตําแหน่งบางทีก็มีการเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆ บางทีก็ไม่มีการเลื่อนในการติดอยู่ตรงนั้นตรงนี้บางทีก็มีการเสื่อมลงไปสารเสริญก็เป็นเช่นเดียวกันสารเสริญก็ไม่ได้มาตลอดเวลาบางเวลาก็ไม่มีสารเสริญมีนินทามาแทนที่ความสุขที่ได้รับจากการเสพสัมผัส กับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัชนิดต่างๆก็มีการเสื่อมหมดไปมีการเปลี่ยนไปมีการลดน้อยลงไปมีการหมดไปพอความสุขที่ได้รับจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัเสื่อมไปหมดไปความทุกข์ก็กลับมาแทนที่ เอ็เราสุขกับสิ่งนั้นสิ่งนี้พอสิ่งนั้นสิ่งนี้เสียไปเสื่อมไปหมดไปเราก็เสียอกเสียใจเช่นบุคคลที่เรารักที่เราเอาศัยให้ให้เขาให้ความสุขกับเราเวลาเขาจากเราไปเวลาเขาไม่ได้อยู่กับเราเวลานั้นเราก็จะ มีความทุกข์ใจเราอยากให้เขาอยู่กับเราแต่เราไม่สามารถบังคับให้เขาอยู่กับเราได้พอเขาจากไปเราก็เสียอกเสียใจแต่ถ้าเราคอยสอนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มีการมาและมีการไปเป็นธรรมดา สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เป็นสมบัติชั่วคราวซักวันหนึ่งเขากับเราก็ต้องแยกทางกันไปถ้าเราสอนใจอยู่เรื่อยๆใจจะได้ไม่ไปยึดติดกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่ไปอยากให้สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เสมอไป เราพร้อมที่จะรับกับความจริงของการเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะรับความจริงของการที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความต้องการของเราได้ก็คือเราต้องควบคุมความอยากของเราให้อยู่ในกรอบของความเป็นไปได้ เวลาใดที่มันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องหยุดความอยากนั้นให้ได้ถ้าเราหยุดความอยากนั้นได้เราก็จะไม่ทุกใจเช่นเวลาเราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปคนที่เรารักไปเราก็อยากไปอยากให้เขากลับคืนมาอยากไปอยากให้เหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่เขาอยู่กับเรา เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เขาจากเราไปแล้วเขาไม่กลับมาแล้วเราต้องอยู่กับความจริงคือเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้เมื่อก่อนเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้สอนใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วใจจะได้ ควบกลุ่มความอยากไม่ให้มันเลยเถิดไม่ให้มันอยู่ในสภาพที่หยุดไม่ได้ดับไม่ได้เพราะถ้าเราหยุดไม่ได้ดับความอยากไม่ได้ใจจะทุกข์ทรมานเป็นอย่างยิ่งนี่คือสิ่งที่เราต้องคอยก็ทำอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆ ก็คือความไม่เที่ยงความไม่มีตัวตนก็คือความไม่ไม่ได้อยู่ในความควบคุมบังคับของเราเราไม่สามารถสั่งให้สิ่งต่างๆจเจริญอย่างเดียวไม่สามารถสั่งให้สิ่งต่างๆอยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไป สิ่งต่างๆนั้นเขามีเจริญและมีเสื่อมเข้ามาจากศูนย์แล้วเขก็กลับไปศูนย์สิ่งต่างๆที่เราได้มานี่สักวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมหมดไปจะช้าหรืจะเร็วเท่านั้นเองแต่ต้องมีวันเสื่อมหมดไปบางสิ่งก็เสื่อมเร็วบางสิ่งก็เสื่อมช้า แม้แต่โลกที่เราอยู่นี้สักวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมไปหมดไปผู้ที่อาศัยอยู่บนโลกนี้อยู่ก็ต้องบทสภาพไปตามความเสื่อมของโลกนี้แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปนั่นก็คือตัวเรานี้เองตัวเราคืออะไรตัวเราก็คือใจ ใจนี่แหละเป็นสิ่งที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปแต่ใจไม่รู้จักตัวเองใจไม่รู้ว่าตัวเองนี้เป็นที่ที่มีความสุขเป็นที่ให้ความสุขกับเราแบบไม่มีวันหมดไม่มีวันเสื่อมถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสู้ มาพบความจริงอันนี้ว่าใจเป็นสิ่งที่ไม่เสื่อมไม่ตายความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจก็จะเราก็จะไม่มีวันที่จะรู้ความจริงอันนี้พอเราไม่รู้ความจริงอันนี้เราก็จะถูกความหลงหลอกให้ไปหาความสุขภายนอกใจ เช่นไปหาความสุขทางร่างกายพอเราไปหาความสุขทางร่างกายเราก็จะไปเจอกับความทุกข์ต่างๆเพราะว่าความสุขทางร่างกายนี้มันไม่เที่ยงนั่นเองเมันไม่ถาวรแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับรักษาให้มันมีไปได้ตลอดเวลา พอเราได้พบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าพบกับความจริงแล้วเราก็จะได้เปลี่ยนเป้าหมายของการหาความสุขถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่ถาวรเราก็ต้องหาความสุขภายในใจถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์เราก็ต้องหยุดหาความสุขผ่านทางร่างกาย เพราะการหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้เป็นเหตุที่ทำให้เราต้องทุกกันอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่จีรังถาวรเป็นความสุขที่ต้องเสื่อมต้องหมดไปเวลาเสื่อมเวลาหมดไปก็เป็นเวลาที่ทำให้ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมา เพราะความอยากไม่ให้เสื่อมหมดไปนั่นเองเพราะว่าไม่รู้ว่ามีความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมอยู่ตอนนี้เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราได้รู้แล้วว่ามีความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปเป็นความสุขที่อยู่กับตัวเราไปตลอดอยู่ภายในใจของเราเอง เราควรที่จะเข้าหาความสุข น, นี้การที่เราจะเข้าหาความสุข น, นี้เราก็ต้องถอนจากการหาความสุขทางร่างกายเพราะว่าเราไม่สามารถหาความสุขจากสองสถานที่สองสถานที่ได้เช่นถ้าเราอยากจะหาความสุขภายในบ้านเราก็ ไม่สามารถที่จะออกไปหาความสุขนอกบ้านได้ภายในเวลาเดียวกันถ้าอยากจะมีความสุขภายในบ้านก็ต้องอยู่บ้านถ้าออกไปนอกบ้านก็จะไม่ได้ความสุขภายในบ้านก็จะไปได้ความสุขนอกบ้านเช่นเดียวกับการหาความสุขถ้าหาความสุขทางร่างกายก็จะไม่สามารถได้ความสุขทางใจ ถ้าหาความสุขทางใจก็จะไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้ที่นี้เราก็ต้องชั่งน้ำหนักด้วยว่าความสุขทางร่างกายกับความสุขทางใจนี้ส่วนไหนมีน้ำหนักมากกว่ากันส่วนไหนดีกว่ากันถ้าเราพิจารณาเราก็จะเห็นว่าความสุขทางใจนี้ดีกว่าความสุขทางร่างกาย เพราะความเสื่อความสุขทางใจไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปไม่มีไม่มีความทุกข์ตามมาแต่ความสุขทางร่างกายทางลาบยศสรรเสริญทางลูปเสียงกลิ่นรสพลิตภัณฑนี้ <apply> เป็นความสุขที่มีวันหมดไปเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเวลาที่ <anyway> ความสุขนั้นเสื่อมไปหมดไปความทุกข์ก็ตามมา หรือเวลาที่ยังไม่เสื่อมไม่หมดไปเพียงแต่คิดถึงความเสื่อมที่จะตามมาก็ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วดังนั้นถ้าเราได้พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วเราก็ต้องเห็นว่าความสุขทางร่างกายนี้เป็นความทุกข์และเป็นความสุขที่เราไม่ควรที่จะแสวงหาเพราะเท่ากับการเป็น การแสวงหาความทุกข์จะความสุขทางใจนี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริงเพราะว่าไม่มีความทุกข์ตามมานั่นเองความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้เข้าถึงนั้นเป็นความสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเป็นความสุขร้อยเปอร์เซ็นต ตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดเพราะว่าเป็นความสุขที่อยู่กับใจอยู่ในใจและใจเป็นสิ่งที่ไม่มีวันดับไม่มีวันหมดไปจึงไม่มีวันจึงไม่มีวันที่ความสุขที่มีอยู่ในใจนั้นจะหมดไปไม่เหมือนกับความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกาย ความสุขที่ได้จากราบยศสามเทริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผุทภาจะต้องเสื่อมหมดไปร่างกายจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเวลาร่างกายนี้เจ็บไข้ได้ป่วยความสุขที่เคยได้รับจากทางร่างกายก็จะหายไปเพราะไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้กต่อไป มเมืช้านี้ก็มีผู้มาทําบุญอยู่ท่านหนึ่งก็เป็นอมัมพฤกษ์อมภาพเดินไม่ได้ต้องให้คนอุ้มเข้ามาถวายข้าวของอันนั้นก็ไม่สามารถทำบาไรายได้ไม่สามารถหาความสุขได้อยู่ก็อยู่อย่างมีอยู่อย่างควะอยู่อย่างเศร้าโศกเสียใจอยู่อย่าง ไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะอยู่แต่ถ้าได้ฝึกหัดหาความสุขทางใจสามารถเข้าถึงความสุขทางใจได้ก็จะไม่เดือดร้อนกับการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายกับการพิกลพิการของร่างกายที่ไม่สามารถหาความสุขให้กับใจได้ พราใจนี้สามารถหาความสุขได้ด้วยตนเองความสุขของใจนี้คืออะไรความสุขของใจนี้ก็คือความสงบนั่นเองความสงบของใจใจถ้ามีความสงบเมื่อไหร่ใจจะมีความสุขเมื่อนั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วใจจะไม่เคยพบกับความสุขกัร น, นี้กันเพราะใจไม่เคยมีความสงบ มัวแต่คอยคิดหาความสุขทางร่างกายทางราบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นลดอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้ใจไม่เคยมีความสงบเลยจึงไม่เคยรู้เลยว่ามีความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่วิเศษอยู่ภายในตัวของตัวเองก็มัวแต่ไปหาความสุขภายนอก ไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณทางลาบยศสารเสริญทางร่างกายจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังแล้วก็เบื่อความสุขทางร่างกายเบื่อความสุขทางลาบยศสารเสญ ก็จะมีโอกาสที่จะได้เข้าหาความสุขภายในใจได้การที่เราจะหาความสุขภายในใจได้เราก็ต้องหยุดการหาความสุขทางร่างกายเราก็ต้องหยุดหาเงินหาทองเพราะว่าการหาเงินหาทองนี้ก็เพื่อที่จะได้เอาเงินทองนี่มาเป็นเครื่องมือ หาความสุขทางร่างกายนั่นเองพอเรามีเงินทองเราก็สามารถทำอะไรตามความอยากได้อยากดูอะไรก็ดูได้อยากฟังอะไรก็ฟังได้อยากดื่มอยากรับประทานอะไรก็ดื่มได้รับประทานได้พอได้ดูได้ฟังได้ดื่มได้รับประทานก็เกิดความสุขใจไปชั่วขณะหนึ่งแต่พอ ไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ได้ฟังไม่ได้ดืม่มไม่ได้รับประทานความสุขเหล่านั้นก็หายไปก็ต้องหามาใหม่ต้องดูใหม่ต้องฟังใหม่ต้องดืม่มต้องรับประทานใหม่เวลาใดที่ไม่สามารถที่จะหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้มาซื้อสิ่งต่างๆเพื่อที่เราจะได้ดูได้ฟัง ได้ดื่มได้รับประทานได้เวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการหาความสุขผ่านทางร่างกายหาความสุขผ่านทางลาบยศสรรเสริญผ่านทางรูปเสียงกลิ่นรสผทธภะแล้วเราได้มาพบกับคำสอนของพระพทธเจ้าที่ทรงสอนให้เรารู้ว่า มีความสุขที่เราไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ลาบเสสารสนไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสปุถะเพเป็นเครื่องมือและเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปเหมือนกับความสุขที่เราได้รับจากทางร่างกายเราก็จะได้มี ทางเลือกแล้วเราก็จะเลือกมาทางของพระพุทธเจ้าเพราะว่ามันเป็นความสุขแท้นั่นเองมีใครอยากจะได้ความสุขเทียมบ้างระหว่างของแท้กับของเทียมถ้าเราต้องเลือกเราจะเลือกเอาอย่างไรทองแท้กับทองเทียมแบงเกกับแบงแบงแท้กับแบงปลอม พอเรารู้คุณค่ามันต่างกันเั้นใดความสุขทางร่างกายก็เป็นความสุขปลอมความสุขทางใจนี้เป็นความสุขจริงถ้าเราต้องการความสุขจริงเราก็ต้องหยุดการหาความสุขปลอมหยุดหาเงินหาทองหยุดใช้เงินใช้ทองเงินทองที่เรามีอยู่มากน้อยเพียงไรเราก็โยนทิ้งไปให้หมด เราไปบริจาคทำบุญทำทานไปเราจะได้มีเวลามาหาความสุขทางใจได้อย่างเต็มที่อันนี้พูดถึงผู้ที่ต้องการเข้าหาความสุขทางใจอย่างเต็มที่เอาถือว่าเป็นหน้าที่การงานที่แท้จริงก็ต้องหยุดหน้าที่การงานทางร่างกายไปโดยปริยาย แต่สำหรับผู้ที่ยังกล้ากลัวอยู่ยังอยู่แบบลูกผีลูกคนอยู่ยังรักความสุขทางกายยังเสียดายความสุขทางกายร่างกายแต่ก็ยังอยากได้ความสุขทางใจยอยู่อันนี้ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปไปเช่นแบ่งปันจรับส่วนหนึ่งที่จะใช้กับการซื้อความสุขทางร่างกายเอามาทำบุญคือลถ ลดปริมาณการหาความสุขทางร่างกายให้น้อยลงไปเพราะว่ายัางไม่สามารถที่จะหยุดได้ร้อยเปอร์เซนก็ยังต้องหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่ก็ควรจะเริ่มต้นลดการหาความสุขทางร่างกายให้น้อยลงไปเช่นแบ่งเอา เงินทองที่จะไปซื้อความสุขทางร่างกายนี้มาซื้อความสุขทางใจเวลาที่เราอยากจะเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยที่ไม่จําเป็นจะต้องซื้อเช่นซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ทั้งๆ ท, ที่เครื่องเก่าก็ยังดียังทํายังใช้งานได้ทุกประการเพียงแต่ว่ามัน ไม่ทันสมัยเท่านั้นเองแทนที่เราจะเอาเงินไปซื้อเครื่องใหม่เราก็เอาเงินนี้ไปบริจาคเอาไปทำบุญเราก็จะได้ความสุขอีกรูปแบบหนึง่งความสุขที่หยุดความอยากที่ได้จากการหยุดความอยากซื้อความสุขทางร่างกายทางรูปเสียงกลิ่นรสปุถะภาเป็นความสุขที่มี น้หนักมากกว่าเพราะว่าทําให้ใจอิ่มไม่ได้ทําให้ใจหิวความสุขทางซื้อของคุ้มเฟื่ยนี้ไม่ได้ทําให้ใจหิวใจอิ่มแต่กลับจะทําให้ใจหิวเพิ่มขึ้นเพราะอีกไม่นานเดี๋ยวก็มีรุ่นใหม่ออกมาอีกพอเห็นรุ่นใหม่รุ่นเก่าที่มีอยู่ก็ไม่มีความหมายอยากจะได้รุ่นใหม่ แต่ถ้าเราเอาเงินที่เราจะซื้อรุ่นใหม่ไปซื้อเราเอามาทำบุญให้ทานเราก็จะเกิดความอิ่มใจพอใจที่จะใช้เครื่องเก่าต่อไปได้แม้ว่าจะมีรุ่นใหม่ออกมาสักกี่รุ่นก็ตามถ้าเครื่องเก่ายังใช้ได้งานตามปกติตามความจำเป็นของเราเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปซื้อ เครื่องใหม่รุ่นใหม่อยู่เรื่อยๆนี่คือวิธีที่เราจะเริ่มเข้าหาความสุขทางใจเราต้องแบ่งปันเอาทรัพสมบัติเข้าของเงินทองที่เราจะเอาไปใช้ซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางร่างกายนี้แล้ว เ, เอามาซื้อความสุขทางใจด้วยการเอาไปบริจาค เอาไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่เขาตกทุกข์ยากเดือดร้อนของที่เราได้มามันไม่ได้ให้ความสุขเราเหมือนกับของที่คนที่เขาเดือดร้อนคนที่อดอยากขาดแคลนเขาได้อาหารได้เสื้อผ้าได้ยารักษาโรคได้สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพทำให้ความทุกข์ของเขาความทุกข์ยากลำบากของเขา เบาบางลงไปทําให้ความสุขความสบายของเขาเพิ่มมากขึ้นการที่เราได้เห็นเขามีความสุขเพิ่มมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงไปนี้จะทําให้เกิดความสุขภายในใจขึ้นมาเป็นความสุขที่มีน้ําหนักมากกว่าความสุขที่ได้จากการชื่อของใหม่ๆมาใช้ของที่ไม่จําเป็นนี่คือ การทำทานสองระดับด้วยกันระดับผู้มือสมัครเล่นกับระดับมืออาชีพถ้าอยากจะเป็นมือที่ก็สละหมดเลยเช่นพระพุทธเจ้าและภาษาวกทั้งหลายไม่ว่าท่านจะมีสมบัติข้าวของเงินทองมากน้อยเพียงไรท่านบอกว่าท่านจะไม่หาความสุขผ่านทางร่างกายอีกต่อไป ไม่หาความสุขผ่านรับสมบัติเข้าของเงินทองจะไปหาความสุขจากการทําใจให้สงบเพียงอย่างเดียวอันนี้คือระดับมืออาี่ส่วนระดับมือสมัครเล่นก็ทําแบบครึ่งๆึกลางๆค่อยๆทาไปเพราะว่ายัางมีความรักมีความหวงอยู่กับความสุขทางร่างกาย ยังมีความรักความหวงในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆยังไม่มีอินทรีย์ที่แก่ก้าพอคือไม่มีสติปัญญาสมาธิความเข้มแข็งความอดทนความภาคเพียรที่จะนุยกับการหาความสุขทางจิตใจก็เลยยังต้องพึ่งพาอาศัยความสุขทางร่างกายไปพังๆก่อน แต่ก็จะพยายามเข้าหาความสุขทางใจอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งวันเหมือนกับคนที่เล่นกีฬาสมัครเล่นคือเล่นเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจวันเสาร์อาทิตย์วันที่ไม่ต้องไปทา ง, งานทำการก็ไปตีกอล์ฟกันหรือไปเล่นเทนนิสกันหรือไปเล่นกีฬาที่ตนเองชอบกันอันนี้ก็เป็นแบบมือสมัครเล่น ผู้ที่จะเป็นมือสมัครเล่นในการหาความสุขทางจิตใจก็หาวันในวันหนึ่งในหนึ่งสั ป, ปดาห์ที่เป็นวันที่ว่างจากภารกิจการงานต่างๆในสมัยโบราณเขาจะมีวันว่างจากภารกิจการงานก็คือวันพระวันพระในสมัยโบราณ น, นี้จะเป็นวันที่าจาหยุดการทำงานกันชาวนาชาวไร่จะไม่ไป ทำไล่ไถนาจะเข้าวัดกันเพื่อไปหาความสุขทางจิตใจกันหาความสุขจากการให้ทานหาความสุขจากการรักษาสิงหาความสุขจากการฟังเทศฟังธรรมหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนานี่คือสิ่งที่มือสมักเล่นควรจะกระทำกัน ควรจะหาวันปฏิบัติธรรมหนึ่งวันหาความสุขทางจิตใจแสวงหาความสุขทางจิตใจหนึ่งวันแล้วพอทำได้หนึ่งวันแล้วขั้นต่อไปก็ให้ขยายเพิ่มขึ้นเป็นสองวันเป็นสามวันเป็นสี่วันเพิ่มไปเรื่อยเืจนกว่าจะสามารถทำได้ครบเจ็ดวันถ้าทำได้ครบเจ็ดวันก็ หรือว่าได้เป็นมืออาชีพแล้วก็สามารถที่จะอยู่แบบนักบวชได้การจะเป็นนักบวชนี่ก็เป็นได้สองรูปแบบเป็ น, เ ป, นเป็นทั้งทางทางร่างกายและทางจิตใจก็คื อ, อไปบวชเป็นพระหรือเป็นชีเป็นสามเณรหรือถ้าไม่สามารถที่จะบวชทางร่างกายได้ คือไม่สามารถไปเป็นพระเป็นชีเป็นสนามเณรได้ก็บวชทางใจก็คือใจยุติห ย, ยุดการหาความสุขผ่านทางร่างกายทุกรูปแบบแล้วก็ทุ่มเทเวลาให้กับการหาความสุขทางจิตใจก็คืออาจจะไม่ต้องไปอยู่ที่วัดก็ได้ถ้ามีสถานที่สงบสงัดที่บ้านของตน ถ้ายังไม่สามารถที่จะไปอยู่ที่วัดได้ไปบวชได้เพราะอาจจะมีภาระบางอย่างเช่อาจจะต้องดูแลบิดามาดาหรือบุตริดา<ม>ก็ยังสามารถที่จะอยู่แบบนักบวชได้ถ้าใจเป็นนักบวชเกิดใจยุติการหาความสุขผ่านทางร่างกายผ่านทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ แล้วก็ทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการหาความสงบทางใจด้วยการเจริญสติควบคุมความคิดด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่สามารถที่จะควบควบคุม บ, บังคับให้เขาเป็นไป ตามความต้องการของเราได้แล้วก็ฟังเทศฟังธรรมไปด้วยเพราะว่าการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นการดูแผนที่ถ้าเราไม่ดูแผนที่เราเดินทางไปเราก็จะหลงทางได้แต่ถ้าเราคอยดูแผนที่เรื่อยๆว่าเราเดินมาถึงตรงนี้แล้วเราควรจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือตรงไป ถ้าแผนที่บอกให้เลี้ยวซ้ายเราก็เลี้ยวซ้ายแผนที่บอกให้เลี้ยวขวาเราก็เลี้ยวขวาแผนที่บอกให้ตรงไปเราก็ตรงไปอย่างนี้เราก็จะไม่หลงทางแต่ถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมเลยเอาแต่ปฏิบัติอย่างเดียวเราก็จะหลงทางได้เพราะว่าการปฏิบัตินี้จะมีหลุมดักล่อให้เราหลงติดอยู่กับ ทางที่ผิดได้เช่นการนั่งสมาธิก็จะไปหลงทางได้เพราะว่าการนั่งสมาธินี้ก็มีทางไปได้สองทางทางที่เข้าสู่ความสงบเป็นอุเบกขากับทางที่ไปสู่ความรู้ต่างๆเช่นรู้นรกรู้สวรรค์รู้พบชาติต่างๆในอดีตหรือความรู้ความสามารถ พิเศษเช่นสามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้สามารถอ่านวาลจิตของผู้อื่นได้หรืออะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าหลงไปทางนี้แล้วก็จะไปทางผิดเพราะว่าจะไม่พาไปสู่ความสงบที่จะดับความอยากได้นั่นเองอต้องไปอีกทางหนึ่งต้องไป ในทางที่ไม่มีรูปไม่มีการรับรู้เรื่องราวต่างๆต้องเข้าไปในทางที่พาไปสู่ความนิ่งความสงบความว่างความเป็นอุเบกขาอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิที่ถูกเพราะจิตที่นิ่งที่สงบเป็นอุเบกขานี้จะมีพลังที่จะสู้กับความอยากต่างๆได้ถ้าไม่มีความสงบแบบนี้ เวลาออกจากสมาธิมาจะไม่มีกําลังที่จะต่อสู้กับความอยากที่จะพิจารณ า, าความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนของสภาวะธรรมทั้งหลายได้ถ้าไม่สามารถพิจารณาให้เห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ก็จะไม่สามารถหยุดความอยากได้ ก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ได้นี่ก็คือสมาธิที่มีทั้งถูกและผิดผู้ที่ไปในทางที่ผิดแล้วก็จะกลายเป็นทาตเป็นลูกน้องของกิเลสไปเวลาได้อภิน ญ, ญาได้อิทธิฤทธิ์ได้ความรู้พิเศษก็จะเอามาขายเป็นอาชีพไปเอามาเผยแผ่บอก ชาวบ้านให้รู้ว่าเรามีคนวิเศษอย่างนั้นคนวิเศษอย่างนี้สามารถที่จะทำอะไรที่คนธรรมดาทำไม่ได้ชาวบ้านได้ยินได้ฟังก็จะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาอยากจะได้รับส่วนบุญส่วนนี้ด้วยก็จะมาร่วมทำบุญถวายลาบสักการะต่างๆพอได้ลาบสักการะมาแล้วก็ ก็จะถูกกีดเด็ดนำเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกทันทีเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆของที่ไม่เหมาะกับผู้ปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องการจากการมีทรัพย์ก็เพียงแต่ปัจใจสีนี้เท่านั้นแล้วก็เป็น ปัจจัยสแบบเรียบง่ายแบบสมถะไม่ใช่เป็นปัจจัยสี่แบบรู้หลาแบบของราชามหากษัตริย์แต่เมื่อได้ราบส ก, การะมาเป็นจนํานวนมากกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภในใจก็จะแผงเล็กออกมา ท, าทันทีสั่งให้สร้างปัจจัยสี่แบบของราชามหากษัตริย์ก็เลยจะทําให้ เกิเป็นปัญหาขึ้นมาได้ถ้าเป็นนักบวชแต่อยู่แบบราชามาหากษัตริย์ก็จะกลายเป็นที่ตําหนิตีเตียนแล้วก็ในที่สุดก็จะเป็นเหตุที่จะทําลายตนเองได้นี่ก็คือผู้ที่หลงไปในทางนี้หลงไปในทางที่ที่ผิดนี่เองเาะฉะนั้นเราจึงต้องศึกษา อยู่เรื่อยๆว่าวิถีทางเดินของผู้ที่ดุพน้นนั้นเขาเดินกันอย่างไรบางท่านก็บวชไม่ดันได้กี่วันก็เกิดความรู้สึกว่ารู้แล้วบรรลุแล้วซึ่งอาจจะเป็นการบรรลุเพียงเบื้องต้นก็คือการทำใจให้สงบหรือการเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ ก็เลยตั้งตนเป็นอาจารย์ขึ้นมาเป็นครูขึ้นมาไม่สนใจที่จะปฏิบัติต่อไปแล้วก็ได้มีลูกศิษย์ลูกหามาถวายลาบสักการะต่างๆก็จะหลงอยู่กับการแสวงหาราบสักการะไปแล้วถ้าไม่ระวังระวังถ้ากิเลสตัณหามีกำลังมากกว่าก็จะมาทำให้ผ้าร้อนได้ ทำให้ต้องสิกขาลาเพศเออกไปเสพการต่อไปได้กลับไปหาความสุขทางร่างกายต่อไปอันนี้ก็เป็นเหตุเพราะว่าไม่ศึกษาไม่คอยฟังเทศฟังธรรมไม่คอยดูแบบฉบับของครูบาอาจารย์ต่างๆครูบาอาจารย์ทางสายของงูกปู่มั่นนี่ส่วนใหญ่ท่านจะไม่ตั้งตนเป็นอาจารย์จนกว่าท่านจะเข้าสู่ไว้ที่เหมาะสม บวชก็อย่างน้อย2ี่สิบสามสิบปีไปแล้วท่านถึงจะตั้งตนเป็นครูบาอาจารย์ขึ้นมาไม่ใช่บวชแค่บางทียังไม่ทันได้พรรษาก็ไปเป็นเจ้าสำนักไปเป็นครูเป็นอาจารย์เสียแล้ว ท, ทั้งทั้งที่ใจของตนเองนั้นยังไม่ได้ดุพ้นจากอำนาจของกลเลตตันหาความโลภความอยากต่างๆเลย พอไปได้ลาบสักการะก็เลยถูกวิตรของกิเลสตัณหานี้มาทำลายตนเองในที่สุดเนียแต่กูบาจา์ดังสายหลวงปู่มั่นนี่ท่านจะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ว่าท่านจะบรรลุธรรมถึงขั้นไหนแล้วก็ตามท่านจะไม่ค่อยโผล่ออกมาประกาศให้ชาวโลกชาวบ้านเขารู้กันท่านจะอยู่แบบสมถะเรียบง่ายไป ไม่แสงหน้าแสงตาคูบาจาร์ต่างๆพูดคูบาจาร์พระผู้ที่มีพรรษาแก่กว่าท่านเป็นผู้อยู่ข้างหน้าผู้ที่มีพรรนาน้อยกว่าจะเดินตามข้างหลังจะไม่แก่งแย่งชิงดีแกแก่งหาลูกศิษย์ลูกหากันท่านจะอยู่ไปตามเวลาของมัน เมื่อถึงเวลาที่จะทําให้ท่านต้องเป็นผู้นําท่านก็จะนําแต่เมื่อยังไม่ถึงเวลามีผู้ที่แก่กว่านำหน้าอยู่ท่านก็จะเดินตามหลังเพราะผู้ที่สิ้นกิเลสตัณหาแล้วนี้จะไม่มีความยินดีมีความอยากที่จะเป็นผู้นําแต่อย่างใดที่นําก็เพราะว่าถึงเวลาถึงเวลาต้องนําเพราะว่าผู้ที่แก่กว่านั้นผ่านไปแล้วหมดไปแล้ว ทางพระเรานี่เราถือเรื่องพรรษาอายุพรรษาเป็นอย่างมากจะไม่มีการที่จะร่วงล้มผู้ที่มีพรรษาแก่กว่าต้องเคารพนับถือต้องยกให้ท่านเป็นผู้นําเสมอเวลาที่อยู่ในสถานที่เดียวกันไม่ใช่แข่งแย่งชิงดีกันเป็นผู้นํากันะ บางที่เราคงจะเคยได้ยินวัดวาต่างๆเวลาเปลี่ยนเจ้าอาวาสกันทีมีการวิ่งเต้นกันมีการหาเสียงกันเพื่อที่จะได้เป็นเจ้าอาวาสกันหรือการแฉวางหายุดษาบรรดาศักดิ์ต่างๆวิ่งเต้นหาหาเส้นหาสายกันส่งสวยกันเพื่อที่จะได้รับ ตำแหน่งต่างๆกันอันนี้ไม่ใช่วิสัยของผู้ที่หลุดพ้นจากความโลภความโกรธความหลงผู้ที่หลุดพ้นจากความโลภความโกรธความหลงนี้จะไม่มีความยินดีในราบยศสรรเสริญในความเป็นใหญ่เป็นโตแต่อย่างใดจะอยู่ตามอัตภาพของตนตอนอยู่ในฐานะใดเป็นผู้น้อยก็อยู่แบบผู้น้อย เป็นผู้ใหญ่ก็ค่อยอยู่แบบผู้ใหญ่ตามลำดับต่อไปจึงไม่ค่อยมีปัญหากันเท่าไหร่เพราะทุกคนรู้จักทำรู้จักความพอดีรู้จักความเหมาะสมรู้จักกาลเทศะรู้จักตนรู้จักบุคคลแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปัไม่ได ดูตัวอย่างที่ดีงามเวลาที่เราปฏิบัติไปแล้วเราได้ผลอะไรเพียงเล็กน้อยเราก็จะหลงคิดว่าเราได้บรรลุแล้วได้สําเร็จแล้วแล้วเราก็จะเอาความหลงนี้มามาใช้เป็นเครื่องมือของความโลภความอยากต่อไปพอตอนเองคิดว่าบรรลุแล้วทีนี้ก็อยากจะมี ราบสักการะแล้วอยากจะให้คนอื่นเขานับหน้าถือตาก็พยายามที่จะแสดงตนว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้วิเศษสั่งสอนแบบไม่มีวันหยุดไม่มีวันหย่อนเพื่อให้สร้างศรัทธาให้แก่ผู้อื่นผู้ที่จะมีศรัทธาก็จะเป็นผู้ที่มีปัญญาอ่อนไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาสอนนั้น เป็นธรรมระดับไหนเท่า น, นั้นเองเช่นคนที่ไปหลงกับผู้ที่สอนเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆเหล่านี้แสดงว่าเป็นคนที่ยังมีปัญญาอ่อนอยู่ยังไม่รู้ว่าคําสอนที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การดับความทุกข์อยู่ที่การดับความอยากดับความโลภความโกรธความหลง ไม่ใช่อยู่ที่การส่งเสริมความโลภความอยากความหลงด้วยการเอาอิทธิฤทธิปาฏิหารมาหลอกมาล่อว่าถ้าได้ทำบุญแล้วจะได้ราบอย่างนั้นได้ลาบอย่างนี้คนที่ทำบุญก็ทำด้วยความโลภไม่รู้ว่าการทำบุญที่แท้จริงนี้เป็นการหยุดความโลภหยุดความอยากเช่นอะไรอยากได้ นาเลกาเรือนใหม่อยากจะได้รถคันใหม่ทั้งทั้งที่เรือนเก่าก็ยังใช้ได้อยู่รถคันเก่าก็ยังใช้ได้อยู่ก็ยังอยากได้ก็เอาเงินไปซื้อของใหม่มาใช้อย่างนี้ไม่ใช่เป็นการหยุดความโลภหยุดความอยากถ้าหยุดความโลภหยุดความอยากก็ต้องเอาเงินที่อยากจะซื้อของที่ไม่จําเป็นนี้เอาไปทําบุญ อันนี้แหละเรียกว่าการทำบุญทำไม่ได้ทำเพื่ออยากจะได้ลถกันใหม่ไม่ได้ทำเพื่ออยากจะได้เงินทองเพิ่มขึ้นมากขึ้นแต่ทำเพื่อต้องการที่จะหยุดการหาความสุขผ่านการใช้เงินทองนั่นเองนี่คือเรื่องของความจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาให้มาก ถ้าเราศึกษาไม่มากพอนี้เราจะถูกหลอกยื่อเรื่อยในสมัยปัจจุบันนี้มีผู้ที่ออกมาบวดความรู้ความสามารถต่างๆเพื่อที่จะหลอกล่อเอาลาบสกาละจากประชาชนไปมีมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีการเอ่อการ คนพบความผิดของการกระทำเหล่านี้ตามมาอยู่เรื่อยๆแต่ก็ยังไม่มีการเข็ดหลาบเสียทีไม่นานระยะเวลาพอข่าวข่าวเงียบไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวก็จะมีรูปใหม่องค์ใหม่ปรากฏขึ้นมาอีกเพราะว่าชาวพุทธเราไม่สนใจกับการศึกษานั่นเองไม่สนใจกับการฟังเทศฟังธรรม ไม่สามารถแยกแยะของจริงออกจากของปลอมได้เหมือนกับคนที่ไม่สามารถแยกแยะทองแท้ออกจากทองปลอมได้ก็มักจะถูกหลอกคนมักจะเอาทองปลอมมาหลอกเอาทองทองจริงไปหรือเอาทองปลอมมาขายว่าเป็นทองแท้ก็เพราะว่าดูทองไม่เป็นไม่เคยไปศึกษา แต่คนที่เขาดูทองเป็นนี่เขาจะไม่ถูกต้มถูกตุนพราค้าขายทองนี่เขาจะรู้จักวิธีทดสอบดูว่าทองแท้กับทองปลอมนี้เป็นอย่างไรฉันใดผู้ที่ได้ศึกษาพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอย่างทองแท้แล้วก็จะสามารถแยกแยะของปลอมออกจากของจริงได้พระแท้ออกจากพระปลอมได้ ดังนั้นเราจึงต้องคอยศึกษากันอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้ไม่ถูกผู้อื่นหลอกและไม่ถูกตัวเราเองหลอกด้วยตัวเราเองก็ชอบหลอกตัวเราเองชอบหลอกให้เราไปหาของปลอมกันตอนนี้เราก็ยังหาของปลอมกันอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้ศึกษาอย่างถ่องแท้ว่าความสุขทางโลกความสุขทางร่างกาย ความสุขทางลาบยศสารเสรญนี้มันเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขเพราะเรายังไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงเรายังไม่เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ศึกษาอย่างถ่องแท้นั่นเองการที่เราอยากจะศึกษาได้อย่างถ่องแท้อย่างอย่างโดยที่ทาให้เราไม่หลงไม่หลอกตัวเราเองเราต้องพิจารณาอยู่เนือง เช่นพระเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาว่าเกิดมาแล้วเราต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาเราต้องพัดพากจากราบยศสรรเสริญจากลูกเสียงเกิ็รลดผลธพัทั้งหลายไปถ้าเราพิจารณาอยู่เนืองๆทุกวันทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกแล้วอย่างนั้นน่ะถึงจะถือว่าเราพิจารณาอย่างถ่องแท้เราจะไม่ถูกความหลงมาหลอกเรา และเราจะไม่มีใครมาหลอกเราได้เพราะสิ่งที่ก็จะมาหลอกเราก็คือเขาก็จะเอาความสุข ป, อออขอปวอมนี่มาหลอกเรานั่นเองเอาของปลอมมาหลอกเราเมื่อเมื่อเรารู้แล้วว่าของต่างๆที่เขามาหลอกล่อเรานี่มันเป็นของปลอมทั้งนั้นเขาจะมาหลอกเราได้ไงเช่นเขาจะมาหลอกให้เราไปเป็นนายกเราก็ไม่เป็นจะหลอกให้เราไปเป็นเจ้าว่าเราก็ไม่เป็นจะหลอกให้เราเป็นประธานบริษัทเราก็ไม่เป็น พอาะเรารู้ว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้าเราไม่พิจารณานี้เราจะตื่นเต้นทันทีถ้าใครมาเสนอชื่อให้เราไปเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ทั้งๆ ท, ที่เราจะมีความสามารถไม่มีความสามารถกิเลสมันก็จะบอกว่าเป็นได้ทันทีอขอให้เสนอมาเธอจะตอบสนองทันทีถ้าใครจะมาให้เราไปเป็นประธานบริษัทเราก็จะรับทันทีเลย แต่เราไม่รู้ว่าเราถูกก็หลอกไปหลอกให้เราไปหาความทุกข์กันไม่ได้ไปหาความสุขกันเพราะเราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นทุกข์นั่นเองเราไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงเราไม่เห็นว่าตอนที่เราตกเก้าอี้แล้วเป็นอย่างไรตอนเวลาที่เราถูกเขาตลออกมานี้เป็นอย่างไรนี่แหละคือสิ่งที่เราไม่ได้ศึกษากันอย่างถ่องแท้เราจึงถูกตัวเราเองหลอกและถูกคนอื่นหลอกเราได้ แต่ถ้าเราศึกษาอย่างถ่องแท้แล้วรับรองได้ว่าไม่มีใครจะมาหลอกเราได้ตัวเราเองก็หลอกเราไม่ได้เพราะเราจะไม่ต้องการอะไรเลยเราจะต้องการเพียงอย่างเดียวก็คือความสงบเท่านั้นเองนี่แหละคือเรื่องของการเข้ามาหาพระพุทธศาสนาก็เพื่อที่เราจะได้เข้ามาศึกษาได้มารู้ว่าของจริงของปลอมนั้นอยู่ตรงไหน ความสุขแท้ความสุขปลอมนี่อยู่ตรงไหนวันนี้เราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็รู้แล้วว่าความสุขแท้อยู่ในใจอยู่ที่ความสงบความสุขปลอมอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ลาบยศสรรเสริญอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์ที่ได้จากความสุขปลอมเราก็ต้องหยุดการหารูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะหยุดการหาราบยศรสรรเสริญ หยุดการหาร่างกายแล้วเราเข้ามาหาความสงบกันด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้เข้าสู่ความสงบความสุขที่แท้จริงต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพระศีลษะตาณฑยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเทอญาบอไปนี้ก็จะให้พรก่อนเลยนะแล้วเพื่อใครจะไปจะได้ไม่ต้องรอ ยาถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสากหลังเอวเนวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปติตังตุมหังเขปเมวะสมิเทตุสภิปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยาถามริโชติ ราโสยถาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพโรโววินาศตุมาเตผวตทวันตรายสุขีทีคายุโกภวาอภีวะธนสิลิตศานิจังุทธาปจายโนจตารโอธรมมวะทฐานติอายุวนนสุขังพลาง ท่านที่ยังไม่ได้หนังสือซีดีต้องการก็เชิญเข้ามาหยิบได้ท่านที่ยังไม่ได้ถวายของอยากจะเข้ามาก็เอาเข้ามาได้เอาเอาเท้าหนึ่งก็ตอนแบบที่แบบอะไรคือคือมันจะเห็นตาแบบสฉียดๆแล้วก็เห็นติดๆแล้วก็จะเห็นเหมือนมันมัน มีผิดใ่ไหมะที่มก็จยากมา3อันมันก็กิกระดการเกิดกระดาษเดอันกระดาษค่ะเออก็ให้ผิก็รวมกับข้ามาคมันก็จะหมุนรอบรอบตัวเองค่ะหมุนถังแล้วมันก็เกิดขึ้นมค่ะเออเห็นอย่างนั้นก็ดีแต่ต้องเห็นบ่อยๆไม่ใช่เฉพาะเห็นครั้งเดียวค่ะหว่างตรงนี้อีกอีกรอบ คือเห็อันน yeah, ี้เห็นตอนน้่งสมาสีอะค่ะข้อมันในชีวิตก็ะจำวันก็คือทับคือได้ยินอะค่ะอืมที่หงมันก็ดับแล้วมันก็เกิดความรู้สึกอะค่ะออมันก็เนื้อความนึกซุกมันก็ดับแล้วเหมือก็มันก็ไปคิดอีกอะค่ะคิดแล้วมันก็ดับพลคิดแล้วดับแล้วมันก็รู้สึกมันก็ดับนะค่ะอคือเห็นอะไรนี่ต้องข้อความสําคัญของเราก็คือ เห็นแล้วถามว่าเห็นแล้วเอามาหยุดความอยากได้หรือเปล่าหยุดมันเหมนแต่ว่ า, ร, วารู้สึกว่ามันมันรู้สึกแล้วมันจะดับลงเออนั่นแหละอะไรที่เราเห็นที่เรารู้สึกเนี้ยว่ามันมาหยุดความอยากได้หรือเปล่าอยากในรูปเสียงกลิ่นรสพลิตภได้หรือเปล่าอยากมีอยากเป็นได้หรือเปล่าถ้าถ้าหยุดไม่ได้ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเพราะว่า เปาหมายของการเห็นนี่ก็เพื่อ ء, เพื่อให้เรามาหยุดความอยากอยากหยุดความโลภหยุดความโกรธหยุดความหลงถ้าเห็นแล้วหยุดไม่ได้ก็เหมือนกับไปดูหนังในในโรงหนังเห็นออกจากโรงหนังมาก็อยากจะกินในต็มอยากจะกินขนมอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวอย่างี้ถ้าเห็นอย่างนี้ก็ไม่เปิดประโยชน์อะไรถ้าเห็นแล้วอิ่มไม่อยากกินอะไรไม่อยากดูอะไรไม่อยากฟังอะไรอย่างนั้นถึงจะดี ดันั้นไม่ว่าเรานั่งสมาธิเราเห็นอะไรก็ตามต้องดูต้องถามเราว่าสิ่งที่เห็นนี้ทำให้เราอิ่มหรือเปล่าทำให้เราพอหรือเปล่าหรือว่ายังมีความอยากเหมือนเดิมอยู่มันไม่ห่งตัมันบอกวาความอยากน้อยลงไปหรือเปล่าไม่เหมือนเดิมก็ดีก็ก็ให้มันหมดไปให้ได้แต่ว่ามันมันไม่ค่อยโกรธต้องให้มันไม่มีโกรธเลย อันนะั้นการปฏิบัติก็เพื่อตัดความโกรธดับความโกรธก็ต้องพยายามทําไปบ่อยๆทําให้มันหมดไปเลยเราไปใครด่าก็ไม่โกรธใครตกหน้าเราก็ไม่โกรธ ใ, ใครแย่งแฟนไปก็ไม่โกรธมันมแค่รู้สึกแค่แวบนึงนะคะมันก็ดับไปอ่านั่นแหละมันไม่พอไงมันเดียวๆอ่าเหมือนฝนตกแค่แป๊บเดียวยังรองน้าไม่ได้เต็มถังเลย เราให้มันตกบ่อยๆก็ต้องทําบ่อยๆเลยทำแบบที่เกิดขึ้นอยู่อ่าแบบที่มันทําให้เราหยุดความอยากได้น่ะแบบนี้โกรธอ่าก็คุณบอกความโกรธน้อยลงไปมันก็ถูกอะถ้าความโกรธมากขึ้นก็ไม่ถูกถ้าความโลภมากขึ้นก็ไม่ถูกไม่ว่าปฏิบัติแล้วเห็นอะไร ต้องถามว่าสิ่งที่เราเห็นนี่มันทำให้เราอิ่มหรือเราหิวทำให้เราพอหรือเรายังอยากอยู่ถ้าทำให้เรายังอยากอยู่มันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเหมือนไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้เสร็จก็อยากจะดูอีกเรื่องหนึ่งพราะเวลาดูภาพยนตร์เรื่องนี้เขาก็มีใช้หนังตัวอย่างของอีกเรื่องมาให้ดูอย่างนี้ก็ดูอย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรดูเราไม่ต้องอิ่มเช่นดูเห็นเห็นซากศพอย่างนี้เห็นคนตายอย่างนี้ เห็นร่างกายเน่าเฟะอย่างนี้ต่อไปมันจะได้อิ่มมันจะได้ไม่อยากจะเสกกลางเห็นแล้วมันก็จะไม่อยากจะเสกกลามกับใครเพราะเห็นทไลไรมันก็โอนไม่น่าเสกเลยมันเละเทะมันเฟะเฟะไปหมดเห็นต้องเห็นอย่างนั้นเห็นแล้วก็ต้องเอามาเอามาเอามาเห็นต่อเพราะถ้าเราไม่เห็นต่อเดี๋ยวมันก็จางหายไปได้สมมติเราเห็นแล้วเราก็ต้องเอามานึกต่ออยู่เรื่อยๆไม่ให้มัน เดือนลางไปจากใจเราพอเราเห็นคนสง์คนสวยคนลูปคนหล่อขึ้นมาเราก็จะเห็นความเน่าเฟะของเขาขึ้นมาพอเห็นความเน่าเฟะของเขาขึ้นมาความสวยความหล่อของเขาก็หมดไปความอยากในการมารมก็จะหายไปความอิบก็กลับมายูก็จยเฉยได้ไามอย้องมีแฟนไม่ต้องมีไมมาม่ย้กในกามารมก็จะหายไปความยากในการาะหายไปคามัน อที่อยู่กันไม่ได้ก็เพราะว่าไม่เห็นความเน่าเฟะของร่างกายนี้ถ้าเห็นแล้วใฟะใครอยากจะอยู่กับร่างกายที่เน่าเฟะบ้างเข้าใจไหมยั้นเวลาที่หนูเห็นอะไรในการภาวนาเวลาร่างต้องแยกแยะว่ามันเป็นเป็นคุณเป็นประโยชน์หรือไม่มถ้าเป็นคุณเป็นประโยชน์เราก็เอามาเจริญต่อออกจากสมาธิแล้วเราก็ต้องเอามากําหนดให้มันปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆอื จนกระช่างมันทำให้ใจเราหายยากเข้าใจน ะ, อะโอเคดีเีงไหมอ้าวทางนี้ทางอินเทอร์เน็ตมามาครับต่อไปเป็นคาถามจากทางเฟ e บุ๊กนะครับพระอาจารย์สุชาติพิชาโตนะครับจากคุณทิพย์กลุ่มลูกพ่อนะครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับกระผมเดินจงกรม กำหนดรู้ลมและก้วซ้ายขวาไปพร้อมกันอะไรเกิดขึ้นดับไปกำหนดรู้ลมอย่างเดียวประมาณสองชั่วโมงจิตมันพึบลงใจมันดิ่งแน่วลงเหมือนไม่มีลมผมตกใจครับเกะใจจึงหยุดเดินและหยิกตัวเองดูที่ผิวหนังเหมือนมีพลังพุ่งออกตลอดเวลาอาการทรงอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมง กลับเรียนถามพระอาจารย์ว่าหนึ่งถ้าเจออาการแบบนี้อีกควรทำอย่างไรครับก็ควรจะเฉยๆไปปล่อยให้มันสงบไปถ้ามันไม่ได้คิดปรุงแต่งมันไม่มีอาการอะไรมันมีความสงบมีความเย็นสบายก็ปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นไปเพราะนั่นก็คือเป้าหมายของการเดินจมก้มนั่นเองก็คือเพื่อให้ใจสงบให้เย็นสบายส่วน อาการต่างๆที่เกิดขึ้นก็อย่าไปยึดอย่าไปติดให้รู้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป้าหมายของเราที่เราต้องการก็คือความนิ่งความสงบความไม่คิดปรุงแต่งของจิตเท่านั้นเองถ้าจิตยังคิดปรุงแต่งอยู่เราก็ต้องควบคุมความคิดต่อไปด้วยการด้วยการดูลมด้วยการดูการก้าวของเท้าเราไปจนกว่าจิตจะหยุดคิดปรุงแต่งนิ่งสงบ ส่วนอย่างอื่นเราจะเกิดขึ้นมาให้เรารับรู้ก็ให้รู้ไปเฉยๆไม่ต้องไปยึดไปติดจะเกิดขึ้นมาหรือไม่ก็ไม่สำคัญเพราะไม่อันนั้นไม่ใช่เป็นเป้าหมายของของการเดินจงกรมเป้าหมายของการเดินจงกรมก็เพื่อให้จิตสงบไม่คิดปรุงแต่งไม่ฟุ้งซ่านให้มีความเย็นความสบายความไปดูเบกขา ถ้ามันเป็นก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไปจนกว่ามันจะเริ่มคิดปรุงแต่งพอมันเริ่มคิดปรุงแต่งเราก็ต้องควบคุมความคิดปรุงแต่งต่อไปด้วยการภาวนาต่อไปดูลมต่อไปดูเท้าต่อไปคํถาถามข้อที่สองจากท่านเดียวกันนะครับและการที่ผมหยุดเดินอาการอย่างนี้จะมีผลต่อการทําสมาธิภายหลังหรือเปล่าเม่เราเวลาเราหยุดเดินก็เพราะ่าจิตมันสงบเนี่ ถ้าจิตสงบเราก็ไม่อยากจะเดินเราก็ยืนเฉยๆได้เหมือนกับเรานั่งทีนี้ตอนตอนที่เราเดินเราตอนนั้นจิตยังไม่สงบเราก็เดินได้พอจิตสงบแล้วมันก็จะไม่อยากเดินมันก็อยากจะยืนเฉยๆไม่มีปัญหาอะไรครับคาถามข้อต่อไปจากคุณสุพ์นะครับขอเรียนสอบถามดังนี้ครับหนึ่งการเจริญสติ ด, ด้วยการบริกรรมพุโทโธและขณะเดียวกัน ก็ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปกับอริยบทต่างๆไปด้วยเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องหรือไม่ครับจะเป็นการกำหนดสติของอารมณ์หรือไม่ครับก็ถูกต้องเพราะว่าบางทีการดูอาการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างเดียวนี่ถ้าสติเราไม่ไม่มีกำลังมากพอเราจะไม่สามารถหยุดความคิดได้ถึงแม้เราจะเฝ้าดูการกระทาของร่างกายใจก็ยังออก ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องใช้การบริกรรมพุทธโธมากํากับด้วยเป็นการใช้ใช้เบรกสองอันแล้วกันถ้าเบรกอันเดียวมันไม่พอมันไม่พ อ, พอก็ต้องใช้เบรก2หงอนหยุดเป้าหมายของเราก็คือให้หยุดความคิดปรุงแต่งให้ได้เท่านั้นแหละจะใช้เบรกกี่ตัวก็ได้อย่างบางท่านก็ใช้พุทธโธผสมกับลมเวลานั่งก็ดูลม ลมหายใจเข้าก็ว่าพุทธลมหายใจออกก็ว่าโทอันนี้ก็ใช้สองอย่างเหมือนกันบางท่านมีสติกําลังมากพอก็ใช้อย่างเดียวก็ได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้หรือพุทโทอย่างเดียวก็ได้อันนี้แล้วแต่กําลังของสติของแต่และท่านก็แล้วกันถ้าเราได้ผลอย่างไรได้ผลจากการใช้พุทโทควบคู่กับการเฝ้ า, าดูร่างกายก็ใช้ไปถ้าเรา ได้ผลกับการดูร่างกายอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องใช้พุทโธเราก็ใช้ไปถ้าเราใช้ได้ผลกับการบริการพุทโธอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องสนใจกับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ใช้ไปได้ทั้งนั้นการปฏิบัตินี้มันแต่ละท่านแต่ละจริตนี้มันไม่เหมือนกันกําลังของสติของแต่ละท่านนี้ไม่เหมือนกันดังนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นผู้รู้เองว่าควรจะใช้วิธีไหนแนวไหน ขอให้เราดูผลเป็นหลักก็แล้วกันว่าทำไปแล้วจิตสงบหรือไม่จิตว่างหรือไม่จิตยุดยิดห ย, ยุดคิดปุุงแต่งหรือไม่อย่าไปเกาะอยู่แต่ที่เหตุอย่างเดียวโดยที่ไม่ดูว่าได้ผลอย่างไรข้อสองนะครับหากนั่งสมาธิโดยไม่ใช้คำบริกรรมหรือดูลมหายใจแต่ทําความรู้สึกตัวในขณะที่นั่งและพยายามรักษาจิต ไม่ให้คิดปรุงแต่งเรื่องต่างๆโดยให้มีความรู้สึกอยู่กับร่างกายเพียงอย่างเดียวเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องหรือไม่ครับถ้าเวลานั่งก็ต้องดูที่ที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกก็เป็นการดูร่างกายถ้าไม่ดูอะไรเลยนี่จะใช้สติควบคุมความคิดนี้จะยากจะจะไม่สงบมันต้องมีอะไรผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆ ถ้านั่งก็ควรจะดูลมหายใจเข้าออกถ้าไม่ใช้การบริการพุโทโธเพราะว่าเวลานั่งร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหวก็ไม่มีอะไรให้ดูนอกจากดูลมหายใจเข้าออกหรือถ้าจะดูร่างกายก็ต้องดูอาการสามสิบสองกำหนดนึกถึงอาการต่างๆเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้ามหัวใจตับท้องผือไตปอด ตอนต้นเราอาจจะนึกถึงชื่อของเขาก่อนก็ได้ท่องชื่อของอาการสาสิบสองไปต่อไปเราก็อาจจะนึกภาพของของอาการต่างๆว่าผมอยู่ตรงไหนมีลักษณะอย่างไรขนมีลักษณะอย่างไรแวบบฟันหนังเนื้อเมือนรูปร่างลักษณะอย่างไรอันนี้เป็นการทํางานให้จิตไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้เหมือนกันข้อที่สามนะครับ หัวใจของการเจริญสติคือให้มีความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันซึ่งอาจจะเป็นวิธีการบริกรรมหรือทำความรู้สึกตัวโดยไม่ให้จิตคิดปรุงแต่งไปในเรื่องต่างๆใช่หรือไม่ครับใช่แล้วต้องการให้จิตว่างจิตสงบเป็นอุเบกขาครับคำถามข้อต่อไปจากคุณโชคชัยนะครับ เวลากับผมได้นั่งสมาธิภาวนาพอเวลาผ่านไปสักหนึ่งชั่วโมงจะมีเวทนาทางกายเกิดขึ้นมากมายเช่นปวดหลังปวดขาเน็บซึ่งยิ่งทนไม่สนใจมันก็จะรุนแรงขึ้นกับผมจะข้ามอาการเวทนาเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างครับสำหรับผู้ปฏิบัติเรื่องต้นนี้ ก็คงจะต้องใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปคือควบกลุ่มใจไม่ให้ไปคิดถึงความเจ็บให้บริกรรมพุทโธไปใจก็จะไม่ไปกังวลจะไม่ไปวุ่นวายกับความเจ็บไม่ไม่ไปอยากให้ความเจ็บหายไปเพราะว่าถ้าไปวุ่นวายกับความเจ็บอยากจะให้ความเจ็บหายไปนี่มันจะผลิตความทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งคือความทุกข์ภายในใจ ถ้าเกิดความทุกข์ภัยในใจแล้วจะทนนั่งไม่ได้ที่ทนไม่ได้ไม่ใช่เพราะเป็นความเจ็บของร่างกายแต่เป็นความเจ็บของใจแต่ถ้าเราสามารถควบคุมบังคับไม่ให้ใจไปคิดอยากให้ความเจ็บหายไปได้เช่นบริกรรมพุทโธไปแบบให้มันถี่ไปเลยแบบไม่ให้มันมีโอกาสที่จะว่าไปคิดถึงความเจ็บไปอยากให้ความเจ็บหายไปเลยเไม่นาน จิตก็จะสงบแล้วความเจ็บของร่างกายบางทีก็หายไปเลยหรือถ้าไม่หายมันก็จะไม่เป็นปัญหาจะรู้สึกอยู่กับมันได้เพราะใจสงบอันนี้เรียกว่าอุบายของสมาธิเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดวิธีที่ยากแต่เป็นวิธีที่จะได้ผลที่ถาวรก็คือต้องใช้ปัญญาต้องแยกแยะต้องพิจารณาว่าความเจ็บนี้เป็นสภาวะธรรมที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เหมือนกับร่างกายที่เราไปอยากให้ไม่แก่ไม่ได้อยากให้ไม่ตายไม่ได้อยากให้ไม่เจ็บไม่ได้ฉันใดเราก็จะไปอยากให้เวทนาหายไปไม่ได้เวลาเขาเกิดขึ้นมา <exploration> <imiz a. S 1> สิ่งที่เราต้องทาก็คือเราต้องอยู่กับเขาให้ได้รับเขาให้ได้ยอมรับเขาว่าเขาเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเราเป็นผู้รับรู้เท่านั้นเองเราไม่ได้เจ็บไปกับ ความเจ็บเพียงแต่ว่าเรามีความไม่ชอบความเจ็บนี้ก็เลยทําให้เราอยากให้ความเจ็บนี้หายไปก็เลยทําให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาที่เราทนไม่ได้นั่นเองถ้าเรายอมรับกับความเจ็บได้ว่า เ, าเขาเกิดก็เกิดเขาต้องอยู่กับเราเราก็อยู่กับเขาไปถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาหายไปเราก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายแต่อย่างใด อันนี้เป็นปัญญาถ้าเราสามารถสอนใจให้ยอมรับว่าเราไปควบคุมบังคับสั่งเขาไม่ได้เขาเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเขาจะดับเขาก็ดับไปเขาไม่ดับก็เขาก็อยู่ไปแต่เราไม่ต้องไปเดือดร้อนกับเขาถ้าเราทาใจให้เป็นอุเบกขาเฉยวางเฉยได้เราก็จะอยู่กับเขาได้ ถ้าเราเห็นว่าเขาเป็นอนตัตตาเราก็จะปล่อยวางเขาได้พอปล่อยวางเขาได้แล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนไม่ทุกกับความเจ็บต่อไปเราจะไม่กลัวความเจ็บอีกต่อไปไม่ต้องใช้การบริกรรมพุโทโธเหมือนกับการใช้วิธีวิวิธีบริกรรมพุโทโธหยุดความความทุกข์ใจเพราะถ้าใช้การบริกรรมพุโทโธทุกครั้งที่เกิดความเจ็บขึ้นมาก็จะต้องบริกรรมพุโทโธไปทุกครั้งถึงจะหายเจ็บ แต่ถ้าใช้ปัญญาว่าความเจ็บนี่เป็นสิ่งที่จะต้องอยู่กับเราไปตลอดซักมันมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราตราบใดที่ยังมีร่างกายนี้อยู่ตามนั้นยังต้องมีความเจ็บอยู่แต่ถ้าเราไม่ไปกลัวมันไม่ไปอยากให้มันหายนะเราก็อยู่กับเขาได้อย่างสบายนี่คือการใช้ปัญญาถ้าเราอยู่กับเขาได้อย่างสบายแนละ้วก็จะเกิดขึ้นมากี่ครั้งกี่ร้อยครั้งก็ไม่เป็นปัญหาอะไรต่อไปคาถามข้อที่สองนะครับ ตัวกระผมเองจะหาเวลานั่งสมาธินานๆไม่ได้เพราะมีภาระที่ต้องทำเยอะผมจึงได้มีเวลานั่งครั้งละห้านาทีบ้างส0บนาทีบ้าง30นาทีบ้างแล้วแต่โอกาสและโดยส่วนมากผมจะตามลมหายใจและกำหนดคำภาวนาพุโทโธในทุกอริยบทเช่นนั่งเฉยๆเดินไปทำงานหรือก่อนนอนผมก็จะตามลมหายใจ และภาวนาพุทโธจนหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ทําแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับก็ถูกต้องนะแต่ก็ทําได้เท่าที่เหตุที่เราทำนั่นแหละทํามากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยถ้าอยากจะได้ผลมากก็ต้องทําให้มากถ้าทำได้เท่านี้ก็ผลก็จะได้เท่านี้คำถามอีกข้อนะครับเวลาเราภาวนาเราจะทราบได้อย่างไรว่ากรรมาฐานกองใดถูกจริตเรา ถ้าเราสงบนะ้วกองนั้นก็ถูกกับเรานะถ้ามันไม่สงบก็มันก็ไม่ถูกอาจจะไม่ใช่อยู่ที่กรรมฐานก็ได้อยู่ที่ความเพียรอยู่ที่สติถ้าความเพียรไม่ถึงสติไม่ถึงถึงแม้กรรมฐานจะถูกมันก็มันก็ไม่เกิดผลขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษที่กรรมฐานเพียงอย่างเดียวต้องดูด้วยว่าเราควบคุมจิตให้อยู่กับกรรมฐานได้อย่างต่อเนื่องหรือเปล่า แล้วก็เรามีความขยันที่จะปฏิบัติมากน้อยเพียงไรถ้านั่งเพียงห้านาทีแล้วก็อยากจะให้มันสงบนี่มันไม่สงบแล้วก็ไปโทษกรรมฐานอย่างนี้ก็ไม่ใช่น่าจะโทษตัวเราเองมากกว่าที่เราปฏิบัติน้อยเพราะการที่จะปฏิบัติได้ผลนี่นักปฏิบัติมืออาชีพนี่เขาต้องปฏิบัติกันทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับและไม่ใช่ปฏิบัติวันเดียวก็จะได้ผล าทีปฏิบัติการเป็นเดือนๆ เ, เป็นปีๆก็มีกว่าจะได้ผลขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปโทษกรรมฐานส่วนอย่าขอให้โทษความเพียรของเราโทษสติของเราจะดีกว่าว่าเราเพียรน้อยมีสติน้อยครับคำถามข้อต่อไปจากคุณสุภกรนะครับกล่าวนมัสการเจ้าค่ะโยมได้ฟังธรรมะของพระอาจารย์ที่เทศว่าความคิด อย่าไปคิดตามมันให้ดูเฉยๆโยมก็ทำตามพระอาจารย์พอเราหยุดดูความคิดว่าจะคิดอะไรต่อไปแต่ความคิดก็ไม่ยอมคิดขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะด้วยเจ้าค่ะไม่ยอมคิดหมอว่าความคิดมันหยุดเลยหมาว่าไงเหมือนเหมือนกับว่าพอเราหยุดดูความคิดว่าจะคิดอะไรต่อไปแต่ความคิดก็ไม่ยอมคิด เราแสดงมันหยุดคิดใช่ไหมใช่ครับถ้ามันหยุดคิดก็ไมก็ก็ดีแล้วสิเพียงแต่มันจะหยุดคิดได้กี่วินาทีนั่นเองพอหยุดคิดปั๊บเดี๋ยวพอเราเผลอปั๊บมันก็คิดใหม่อีกถ้ามันเป็นแบบนี้ก็เหมือนกับวิ่งไล่จับนลยพอเราวิ่งมันก็หยุดอพอเราหยุดมันก็วิ่งต่ออย่างนี้ก็จะไม่ได้ผลวิธีที่จะดีก็คือใช้การบริกรรมจะดีกว่าจะใช้พุทโธก็ได้จะใช้การ พิจารณ า, าอสุภะพิจารณาอาการสามสิบสองก็ได้จะดีกว่าที่จะดูเฉยๆเพราะการดูเฉยๆของเรานี่ยังไม่มีกำลังที่จะหยุดมันได้อย่างร้อยเปอร์เซนหยุดมันได้เพียงปั๊บเดียวพอเราไม่ดูปั๊บมันก็คิดต่อได้คำถามข้อต่อไปจากคุณซูซี่นะครับสงสัยตอนที่พระอาจารย์เทศเรื่องจิตที่ท่านว่าจิตของพระพุทธเจ้า กับพระอาหารหันต์อยู่ในโลกทิศและยังมีอยู่ไม่ไปไหนคำถามคือถ้าจิตของพระอาหารหันต์ยังมีอยู่แม้ว่าจะถึงพระนิพพานแล้วคือการที่จิตมันยังมีอยู่แปลว่าจิตยังเที่ยงหรือไม่จิตของพระอาหารหันต์ไม่ได้เป็นไปความไม่เที่ยงคือเกิดดับตามกฎของไตรลักษณ์อีกค่ะ คือจิตทั้งหมดเนี่ยของพระอารหันต์กับของผุ้ทุชนนี่ก็เที่ยงเหมือนกันหมดคือไม่มีวันหมดไปไม่มีวันสูญหายไปจิตของผุ้ทุชนอย่างพวกเราก็อยู่ในโลกทิพย์เหมือนกับจิตของพระพุทธเจ้าและพระอรหรัหนต์ต่างกันตรงที่จิตของพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์นี่ไม่มีความทุกข์ไม่มีความอยากแต่จิตของผุ้ทุชนนี่ยังมีความทุกข์มีความอยากอยู่ทั้งนั้นเองครับหมดคำถามสําหรับวันนี้ยกไปพรุ่งนี้ต่อครับ เข้าใจไหมเรื่องคําว่าเที่ยงและไม่เที่ยงนี่ไม่สําคัญจิตมันเที่ยงทุกคาว่าเที่ยงก็คือว่ามันไม่มีวันบุกไม่มีวันสลายมันไม่มีวันหายไปไม่ว่าจะเป็นจิตของใครก็ตามจิตของตุ๊กแกจิตของสุนัขจิตของมนุษย์จิตของพระอริยะเจ้าขั้นต่างๆ<ม>ก็มีอยู่เหมือนกันอยู่ในโลกทิพย์เหมือนกันต่างกันตรงที่คุณภาพของจิตแต่ละดวงนั่นเองว่ามีทุกขมากหรือทุกน้อย มีความอยากมากหรืออยากน้อยหรือไม่มีทุกข์เลยไม่มีความอยากเลยเท่านั้นเองที่ปฏิบัตินี้ไม่ไดป้ปฏิบัติเพื่อทำลายให้จิตหายไปจิตไม่มีวันที่จะหายได้ที่ปฏิบัติก็เพื่อจะทำลายความทุกข์ทำลายความอยากต่างๆที่อยู่ในใจนี้เท่านั้นเองสิ่งที่ไม่เที่ยงก็คือสิ่งที่เราหลงมายึดติดในโลกนี้นี่คือโลกกระทาน จิตอยู่โลกทิพย์ถ้าเปรียบเทียงก็เหมือนกับว่าโลกมันโลกที่เราอยู่โลกนี้กับดวงพระจันทร์อย่างเนี้ยเราไปติดกับของที่อยู่ดวงพระจันทร์แล้วส่งดาวแล้วส่งยานอวกาศไปสํารวจสํารวจโลกพระจันทร์ไปหาสิ่งต่างๆจากโลกพระจันทร์แต่สิ่งต่างๆในโลกพระจันทร์นี้มันไม่เทียมมันหมดไปก็เหมือนกับจิตที่อยู่ในโลกทิพย์แล้วส่งส่งกระแสจิตมาหาหาสิ่งต่างๆในโลกกธาต โกก่กธาตุก็คือโลกที่มนุษย์เราอยู่วันนี้ยทุกอย่างนี้มาจากธาตุสี่ทั้งนั้นแหละที่นั่างกายนี่ก็มาจากธาตุสี่ดินน้าลมไฟต้นไม้กุฏิศาลานี้ก็มาจากดินธรรมธาตุมาจากธาตุสี่ดินน้ําลมไฟเหมือนกันแล้วก็ไม่เที่ยงเหมือนกันก็คือมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมไปพอมันเสื่อมไปก็ทุกข์กันเพราะอยากจะให้มันอยู่ไปไม่ให้เสื่อมเนีย่ยปัญหาก็อยู่ที่ความอยากอยากในสิ่งที่มันจะเสื่อม ไม่ให้มันเสียงได้อย่างไรเมื่อไม่ได้ดังใจมันก็ทุกใจเสียใจเท่านั้นเององั้นถ้าฉลาดก็หยุดหาไม่มาหาสิ่งต่างๆในโลกทานี้อีกต่อไปก็ไม่กลับมาเกิดไม่มาหาร่างกายเมื่อไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมาหาลาบยศสำรักเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลตภะให้หาความสงบภายในใจดีกว่าถ้าจิตมีความสงบภายในใจมีความสุขจิตก็ไม่ต้องออกไปหาความสุขภายนอก แต่จิตของใครก็ตามไม่มีไม่มีวันสูญถลายมีเท่าเดิมจิตในจักรวาลในสากลละโลกนี้เคยมีกี่ดวงมันก็ยังมีเท่านั้นอยู่แต่ร่างกายที่จิตไปจับจองเป็นเจ้าของเนี่ยมันมีเกิดมีดับมีเปลี่ยนมีมีแก่มีเจ็บมีตายทุกทุกร่างกายไปแล้วร่างกายนี้มาเดี๋ยวก็แก่เจ็บตายกันไปหมดพอหมดร่างกายนี้ยังอยากอยู่ก็ไปหาร่างกายใหม่ มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ก็เป็นอย่างนี้มาอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะฉลาดจนกว่าจะพบพระพุทธเจ้าว่าเออนี่เป็นความทุกข์นะสิ่งที่เรากำลังหากันนี้มันไม่ใช่เป็นความสุขสิ่งที่เป็นความสุขก็คือการหยุดหาสิ่งเหล่านี้ให้หาความสุขที่เกิดจากความสงบภายในใจที่เกิดจากการหยุดความอยากนี้เองถ้าหยุดความอยากได้หมดความสงบมันก็จะตามมาเอง ดังนั้นขอให้เราทุ่มเทเวลาชีวิตจิตใจกับการเข้าหาความสุขความสงบภายในใจนี้อย่างเดียวอย่าไปหลงกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางร่างกายทางราบยศสรรเสริญเพราะว่ามันเป็นความทุกข์นั่นเองเพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่าเราไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้แต่ใจเราอยากอยากอยากให้มันอยู่กับเราไปตลอด เรามีอะไรแล้วเราก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปตลอดพอมันไม่อยู่กับเราไปตลอดเราก็เศร้าสุกเสียใจนี่คือปัญหาของเราเราโง่เองเราไปอยากในสิ่งที่ทำให้เราเสียใจเองทำไมไม่ไปอยากกับสิ่งที่ให้ความสุขกับเราก็คืออยากอยากกับความอยากกับการหาความสงบของใจอันนี้แหละหาไปเถิดหาได้เท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นทำบุญได้เท่าไหร่ยิ่งดี มีเงินทองเท่าไหร่แจกให้คนอื่นไปให้หมดเลยจะได้ไม่ต้องไปหาความสุขจากเงินทองอีกต่อไปเราจะได้มารักษาศีลมาบวชได้มาภาวนาได้มาทำใจให้สงบมาทำใจให้ฉลาดได้มาหยุดความอยากหยุดความทุกข์ต่างๆได้มีแค่นี้เองปัญหาพวกเราคือว่ามันยากตรงที่ว่าเราไม่อยากมาทางนี้กันเรายังนักพี่เสียดายน้องอยู่ความสุขทางใจก็อยากจะได้ ความสุขทางกายก็ยังเสียดายมันก็เลยเนี้ยกล้ากลัวกลัวบางวันกกล้าก็มาวัดบางวันกลัวก็ไม่เข้า <c oughs> เข้าลงหนังแทน <c oughs> มันก็เลยสุขสุขเดบเบอยู่อย่างนี้สุดบ้างทุกบ้างไปเรื่อยเพราะเราไม่เอาอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันเต็มที่ไปเลย ถ้าอยากจะสุขเต็มที่ก็ต้องทำแบบพระพุทธเจ้าเสด็จออกจากวังเลยสเสด็จออกจากบ้านไปเลยทิ้งสามีทิ้งภรรยาทิ้งลูกทิ้งใครไปหมดเลยไปอยู่ในปานใ่าในเขาไปําเพญรักษาสีแนบบอยสุดทำใจให้สงบพิจารณาทุกอย่างว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราแค่นี้ก็หยุดความอยากได้แนละ้วได้พบกับความสุขที่ถาวร มัไม่ยากขอการปฏิบัติถ้าเราทุ่มเทชีวิตจิตใจพระพุทธเจ้าทรงรับรองแล้วภายในเจ็ดปีเป็นอย่างมาก ส, สอนในสติปัฏฐานสุดผู้ใดปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนให้เจริญสติดได้ภายในเจ็ดปีเป็นอย่างมากถ้าเก่งก็เจ็ดวันก็สามารถสาเร็จได้มันยากตรงที่ว่าเราไม่ยอมทำเรายังเสียดายความสุขทางร่างกาย ยังเสียดายทรัพสมบัติเข้าของเงินทองยังเสียดายสามีภรรยายังเสียดายบุตรที่ดายอยูเราถึงตัดเขาไม่ได้เราถึงไปไม่ได้ถ้าเราตัดได้ไปเดี๋ยวเดียว น, นั่นเนองเสร็จนะอยู่ที่เราเราต้องเลือกเราต้องเลือกทางถ้าเราไม่เลือกมันก็อย่างเนี้มันก็เหยียบเอเเหยห ย, ห ย, หยีบดือสองกล่าวยังไง มันไปไม่ได้เดี๋ยวเรือมันแยกไปคนละทางขาก็ฉีกกันเวลาที่เต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันทรมานที่สุดเลยเวลาคิดที่จะตัดสินใจออกบวชอย่างถาวเนี่ยมันเวลาที่ทรมานใจมากที่สุดแต่พอตัดสินใจได้แล้วมันโล่งเลยเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกเลยพอตัดได้ไปดีกว่าอยู่ไปก็เท่านี้อยู่ไปก็ไม่มีวันที่จะเจริญไม่มีวันที่จะพ้นทุกข์ได้ ไปดีกว่ายอมไปตายดาบหน้าพอยอมนี้ครับมันโล่ง อ, อกโล่งใจเยมันสบายใจไปเล ย, เลยแต่ก่อนที่จะตัดสินใจได้เนี่ยโอ้โหมันทุกแสนทุกรักพี่ก็รักน้องก็เสียดายไม่รู้จะเอาทางไหนดีใจจะขาดทั้งสองทางไปทางนี้ก็ขาดไปทางนี้ก็ขาดแต่พอยอมยอมตัดสินใจเอาทางใดทางหนนะึ่งแล้วมันโล่งไปเลย กิดถึงว่าพุทธเจ้าท่านก็เหมือนเราท่านก็อยู่แบบสุขอย่างสบายเหมือนเราท่านก็เห็นว่ามันไม่เป็นความสุขปรอมมันเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาท่านก็เลยยอมยอมทิ้งมันไปยอมไปสู้กับความทุกข์ที่จะาพาไปสู่ความสุขความสุขแท้จริงนี้ต้องผ่านนรกก่อนการที่จะไปพระนิพพานได้ น, นี้ต้องผ่านนรกก่อน เพาจะต้องตกออกจากตกลงมาจากสวรรค์มันเองขณะนี้พวกเราอยู่ในสวรรค์กันขณะนี้เราอยู่กับราบยศสารเสนเนี่ยเหมือนกันเราอยู่กับอยู่บนสวรรค์พอเราไปบวชปั๊บนี่เหมือนกับเราตกลงจากสวรรค์เลยไม่มีราบยศสารเสรนะไม่มีความสุขทางตาหูจมูกต้นกายตอนนั้นก็เป็นเหมือนกับตอนตกนรกแต่ตกเดียวเดียวถ้าเราปฏิบัติธรรมเดี๋ยวมันก็ยกเราขึ้นไปสู่สวรรค์ที่ไม่มีวันเสื่อมต่อไป ก็คือสวรรค์ชั้นนิพพานนั่นเองถ้าเราไม่ยอมออกจากสวรรค์มาเราก็จะไม่มีวันที่จะไปสู่พระ น, นิพพานได้เย<ม>นใต้เราศึกษาพระพุทธประวัติอยู่เรื่อยๆศึกษาประวัติของภาษาวกทั้งหลายว่าท่านท่านทำไงถึงท่านท่านถึงออกบวชกันได้ ว่าท่านเห็นทุกเนี่ยท่านเห็นความไม่เที่ยงท่านเห็นอนนาตาเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเห็นว่าทุกอย่างในที่สุดก็ต้องเสื่อมหมดไปเดี๋ยวตายไปร่างกายตายไปทุกอย่างที่เรามีอยู่ก็หมดไปอยู่ดีสู้หมดไปตอนนี้ไม่ดีกว่าหมดไปตอนที่เรายังสามารถปฏิบัติทําได้ไม่ดีกว่าไปหมดไปตอนตายนี่เราปฏิบัติเราไม่สามารถควบคุมจิตของเราได้แนละ้ว ตอนที่เราตายไปตอนนั้นกรรมมันจะมาเป็นผู้ควบคุมนะบุญกรรมจะเป็นผู้มาฉุดลากเราไปแต่ตอนนี้เราเป็นผู้ฉุดลากมันไปได้ฉุดลากมันไปพระ น, นิพพานได้แต่ถ้าเราเวลาตายนี้จะมีแต่บุญกรรมที่จะฉุดเราไปนี่เราเราเราทำไมไม่สมมติว่าเราตายจากโลกนี้ไปเสียแต่วันนี้ตายจากทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วเราก็จะได้ไป บำเพ็ญได้ไปปฏิบัติได้ไปเดินทางไปสู่พระนิพพานได้มีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีก็ขอขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ใครที่ยังอยากจะเข้ามาหยิบหนังสือซีดีหรือถวายของก็เข้ามาได้เนี่ยหนังสือที่เกี่ยวกับแม่ชีแก้วนี้ท่านก็เป็นพ้าอาหันนะอ ย, อย่าไปคิดว่าเป็นผู้หญิงแล้วเป็นพ้าอาหันไม่ได้นะแม่ชีแก้วนี้ท่านก็เป็นสิทธ์พระอาจารย์มั่น กระดูของท่านก็กลายเป็นพระธาตนะครับใช่ครับอันนี้ไม si ่ใช่หมอใช่มนนี้ทหารนะทหารครับหน้าตายจะฆ่าไเราไม่ได้บวชเรียบร้อยแล้วครับไม่ได้ทำบุญ 3,000 ต้นนี่ไม่ทำไม่เกี่ยวนี่เลยนไม่ทำนี่เกี่ยงไมหยุดหน้าตก ในเฟซบุ๊กก็มีตามตามทุกอาทิตย์เชิญขึ้นมาได้นะมันมีอะไรจะถวายก็เข้ามามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรเป็นยาคัยายาไปเข้นได้อ๋อไปเค้นได้เลยไ้าไม่มีอาหารเลย แต่ว่ายัง ไ, ไ, ง, นะ ง, ไงไปตปไงไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไาไปไปไปไปไเไปไปไปไปนเไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปอปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไเไปยปไไปไปไปไไปไปไปไไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไไไปไป ให้ปล่อยวางร่างกายก่อนปล่อยวางราบยศสรรเสริญปอดปล่อยแล้วมันก็จะเข้าไปในจิตแล้วมันก็จะไปยึดติดอยู่ในจิตอีกทีก็ต้องปล่อยมันอีกทีนึงผู้ตอนนี้อธิบายตอนนี้ก็จะไม่เข้าใจว่าจิตเป็นยังไงเพราะเรายังไม่เห็นมันเห็นตัวมันเพราะในนั้นมันยังมีของปลอมซ่อนอยู่ในจิตยังมีตัววิชาอยู่ที่ให้ปล่อยก็ให้ปล่อยตัววิชา ตัวจิตที่เราปล่อยไม่ได้หรอกเพราะตัวจิตมันเป็นตัวเราถ้าปล่อยก็คือตัวที่แปกปวามเข้ามาม อ, อันนั้นเป็นตัวสุดท้ายปล่อยระดับปฐมก่อนระดับ ปล่อยเอปล่อยราภนยชนและเสริญปล่อยครอบครัวก่อนปล่อยลูกปล่อยสาอปล่อยสามีปล่อยภรรยาก่อนแล้วค่อยมาปล่อยร่างกายปล่อยความเจ็บความป่วยความสุขทางร่างกายปล่อยเวทนาปล่อยสุขเขาเวทนาทุกขเวทนาไม่สุขไม่ทุกขเวทนาเมันสุขก็ปล่อยมันสุขไปมันทุกขก็ปล่อยมันทุกขไปป่อยไม่สุขไม่ทุกขก็ปล่อยมันไป ไม่ต้องไปจัดการกับมันตอนนี้เราจัดการกับมันพอมันทุกเราก็จะหาวิธีดับมันนอนก็หาหน้ามาอาบหาพัดลมมาเป่าแทนที่จะมาดับความทุกข์ใจที่อยากจะให้ความทุกข์กายหายไปก็ไม่ทำกลับไปสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาด้วยการอยากให้ความทุกข์กายหายไปเราต้องดับความทุกข์กายดับความทุกข์ใจด้วยการปล่อยวางความทุกข์าย แล้วค่อมาปล่อยวางความความทุกข์ภายในจิตอีกทีภายในจิตก็มีความทุกข์ก็ก็ยังมีความอยากให้จิตมีความสุขอย่างเดียวแต่ความสุขภายในจิตมันก็เหมือนกับความสุขภายในร่างกายมันสุขแล้วมันก็ทุกข์เหมือนกันมันไม่เที่ยงเหมือนกันอันนี้มันเข้าไปในจิตอีกทีให้ไปปล่อยตัวนี้ปล่อยเหมือนกับเราปล่อยร่างกายปฏิบัติไปมันจะรู้เอง ก็จะปล่อยวางทุกอย่างทุกอย่างมันไม่มันมันเป็นทุกข์ไปยึดไปถือว่าเป็นของเราทําไมถ้าไม่ยึดไปถือว่าเป็นของเรามันก็จบแล้วที่มันเป็นปัญหาก็ไปยึดไปติดว่าเป็นของเราเห็นไหมสามีคนอื่นเราไปยึดเราไม่ได้ไปยึดไปติดเขาเป็นอะไรเราเดือดร้อนนะ ถ้าเราไปยึดไปติดเกับยวไปเราก็จะไปทุกข์กับเรื่องนั้นทันที ừ. ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องไม่ ย, ยึด mm hmm. ไม่ติดกับทุกสิ่งทุกอย่าง <indie. S 1> ตอนนี้เรายึดติดเกี่ยวไปได้เราก็ต้องปล่อยสิ่งนั้นตอนนี้ยึดติดกับลูกก็ต้องปล่อยลูกยึดติดกับเงินทองก็ต้องปล่อยเงินทอง <Used. S 2> ยึดติดกับร่างกายก็ต้องปล่อยร่างกายยึดติดกับความ รู้สึกทางร่างกายสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ต้องปล่อยปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติทำตามธรรมชาติของเขาอย่าไปยุ่งกับเขาเขาสุขก็ปล่อยเขาสุขไปเขาทุกข์ก็ปล่อยเขาทุกข์ไปเ ข, ข, ขาไม่สุขไม่ทุกข์ก็ปล่อยเขาไม่สุขไม่ทุกข์ไปเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเราก็จะไม่ทุกข์เนี่ยการที่จะปล่อยก็ต้องใจต้องสงบเป็นอุเบกขา ถึงบอกให้จเจริญสมาธิให้มากว่าจเจริญสติให้มากว่าเพราะสตินี่จะทำให้ใจสงบพอใจสงบแล้วใจก็จะปล่อยทุกอย่างเง mm hmm. เวลาจิตเข้าไปในสมาธิแล้วมันปล่อยหมดแล้วแต่มันปล่อยชั่วคราวพอออกมาปั๊บมันก็กลับมายึดเหมือนเดิมตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญาให้ให้ปล่อยให้ปัญญาตัดเพื่อจะได้ปล่อย ถ้าตัถ้าเห็นว่าเป็นทุกข์เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นอนัตตก็จะปล่อยเองต้องต้องสอนใจให้มันเห็นว่าเป็นเป็นทุกข์เนี่ยลูกเนี่ยเป็นทุกข์เพราะเขาไม่เที่ยงเดีย๋ยวเวลาเขาตายไปเราจะรู้สึกยังไงถ้าเราปล่อยแล้วเขาตายไปเราจะไม่รู้เราจะไม่ทุกข์กับเขาแต่ถ้าเขาเป็นลูกเราเราก็จะอยากไม่ให้เขาตายพอเขาตายเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันที แต่ถ้าเราเห็นว่ายังไงเขาก็ต้องตายอยู่ดีไม่ก่อนเราก็หลังเราหรือพร้อมกับเราถ้าเกิดอยงนี้แล้วมันก็จะได้ปล่อยวางได้ปล่อยวางแล้วเราก็ไม่ทุกข์กับเขาที่ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เพื่อเราจะได้ไม่ทุกข์แค่นั้นเองเนี่ยต้องทําสมาธิให้มากๆเจริญสติให้มากๆต้องปิดวิเวกต้องอยู่คนเดียว อยาส่งใจออกข้างนอกดึงใจเข้าข้างในให้ได้ดึงใจเข้ามาหยุดความคิดให้ได้หรือความคิดท้อใจจะสงบจะเย็นจะสบายแล้วพอออกมาก็้ามาใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยได้พอจะเห็นว่าปล่อยแล้วสบายถ้ายึดแล้วจะทุกข์ตาม น, นี้ไม่เห็นถ้าใจไม่สงบไม่เห็นจะไม่เห็นว่าทุกข์เวลายึด ต, ติด ก, กับอะไรนี้จะคิดว่าดี ข่วงยังไงกินไม่ได้น้อยไม่หลักก็ยังยึดติดอยู่นะไม่เห็นความทุกขนะ์แต่เวลาจิตสงบนี่เวลามันทุกข์นิดเดียวมันจะรู้เลยเวลาจิตเกิดความทุกข์ขึ้นมานิดเดียวเพียงแต่คิดถึงเขานี่ก็ทุกข์แล้วนี่ก็รู้นะแล้วออไม่แต่คิดก็คิดไม่ได้อพอคิดปั๊บก็จะข่วงขึ้นมาอั่นทนี่เขาเป็นอะไรหรือเปล่ปาเราต้องใช้ปัญญาว่าเราอยู่ตรงนี้เราก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดี ไม่อยู่กับเขาเราก็ทาอะไรไม่ได้อยู่ดีเขาจะตายตรงต่อหน้าต่อตาเราเราก็ห้ามขาไม่ได้อยู่ดีต้องคิดถึงขนาดนั้นมันถึงจะปล่อยได้แรงก็เริ่มจะเร็วขึ้นการคิดบ่อยๆมันก็จะชันนานขึ้นเหมือนท่องสูตรคูเนี่ยมันก็จะชันนานต่อไปไม่นจะคิดแบบนี้มันจะไม่คิดแบบดับหลงตอนนี้เราจะคิดแบบหลง อยากจะให้เขาอยู่อยากจะให้เขาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้มมาางันจับได้ให้นไเป็น้นใช่ต้องปฏิบัติอยู่เรื่อยๆบ่อยๆสติต้องไวต้อจ็ต้องฝึกเร้ต่อไปมันก็จะอัตโนมัติเองต่อไปมันจะเฉยอมันเหมือนไหนวเฉยเห็นอะไรก็เฉยมรวานมันมันหมดไปแล้ว แล้วไม่หมดก็แบบว่าเราเร า, เราไวกับอะไรพอมันโผล่ขึ้นมาปั๊บเราก็ดับมันเลยอัตโนมัติเลยพอมันห่วงปั๊บก็ตัดมันเลยต้ 29, 30, องทีนานทีวันที่รู้ใช่หรือแบบ 2-3 สามชั่วโมงเพราะว่าเราไม่มีปัญญาปัญญาเรายัางยังช้ามากยังไม่ทันย่อ เพราะเราไม่ฝึกซ้อมทางปัญญาไม่พิจารณาทางอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆรวมมันคงมีแค่บางดวงสติปัญญติปัญญาแล้วก็สมาธิด้วยถ้ามีสติก็ถือว่ามีปัญญาไม่มีมีสมาธิถ้ามีสติแล้วก็จะมีสมาธิถ้ามีสมาธิก็จะคิดไปในทางปัญญาได้ถ้าไม่มีสมาธินิจใจมันจะคิดไปในทางทางกิเลยมันจะไม่คิดไปในทางปัญญา เพราะว่ามันมีกำลังมากเวลามีสมาธิแล้วสมาธินี้จะไปตัดกำลังของกิเลสกิเลสที่มันกิเลสที่เียันิเดว่าดากนยแบไรไหมันมาหลายรูปแบบกิเลสมันมาแบบตรงๆก็มีมาแบบซ่อนๆมาก็มีแบบไม่รู้สึกตัว แต่พอมันทุกข์ขึ้นมาก็จะรู้ทันทีว่าทุกข์อีกิเลสเกิดขึ้นอีกแล้วยึดติดอีกแล้วอยากอีกแล้วแต่ปัญหาคือมันเวลาทุกข์มันไม่รู้ว่ามันทุกข์อะไรตอนนั้นนะมันต้องทุกข์แบบงกระทั่งทนไม่ไหวจริงๆถึงจะรู้อ่านี่มันทุกข์เนี่ยว่ะแต่ยังไม่รู้สึกขนาดนั้นก็พยายามที่จะทําตามกิเลสให้ไนดะ้พยายามที่จะแก้พยายามที่จะรักษาพยายามที่จะ ทำให้เป็นไปตามความอยากของเราให้ได้พอมันทำไม่ได้แล้วเครียดเต็มที่แล้วมนันจะได้สติว่าโอ้นี่เราก็ลองทุกข์กับมัน ท, ออทุกข์เพราะอะไรอ๋อทุกข์เพราะความอยากแล้วก็อยาาไปอยากที่ยอมรับความจริงอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะเป็นก็เป็นอะไรเป็นไปแล้วก็ปล่อยมันเป็นไป ไ, ไปแก้มัไม่ได้ยอมหยุดแล้วก็เย็น ก็ให้ใช้สูตรสามยอมคือจากสูตรสามยอมไยอมยอมแล้วก็หยุดหยุดอยากพอหยุดอยากแล้วก็ยนี่ค <Jub ilee> like like like ือยอมยอมแ้ไม่ได้อ่าแน่น่ะก็ยอมแพ้ไงหยุดหยุดหยุดที่อยากจะชนะไงยอมเป็นคนไม่ได้พอยอมแล้วก็สบายใจถ้าไม่ยอมก็ดิ้นอยู่นั่นแหละนี่ก็นาวาเอกแต่เขาเป็นแพทย์เขาสายแพทย์ เป็นลิกเกอแท้ๆแต่เชื่อกันชอบกันาเกินเป็นดาวดวงเดียวติดตาเลยพรกันต้องมีพัดยพะกันต้องมีพกันต้อมีพระกันมีพรตมีกันไองมีพร้อีกนต้องมีพระกนต้อีพ้อมันมระองมันอมีร้ีนอนงพนอี้อกรักพระมันมมันม้นองงี้ ก็ให้นเป็นแต่เราไม่ได้เป็นถ้าเป็นก็ต้องทำนำบัตรแจกเลยติ้ายเลยแ้บางทีก็ใส่ไปตามธรรมเนียมเพื่อเพื่อไม่ให้เสียมารยาทเดี๋ยวจะหาว่าไม่เคารพอ่าไมเคารพผู้หลักผู้ใหญ่อุตส่าห์เวตาให้แล้วก็ใส่ไปบางทีก็ใส่ชื่อชื่อพัดย์ยศไปด้วย ไก็ไม่ได้ใช้มันเนี่ยเพราะเราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับทางทางสังคมของโลกเขาไม่มีเกณฑนิมนต์ที่จะต้องเอาพัดยศเข้าไปด้วยไม่รับนิมนต์สักอย่างมันก็จบแล้วถ้าใจมันอิ่มแล้วมไม่อยาก ไ, ได้อะไรหรอเนี่ยปัญหายู่แค่ตรงนี้เองกไม่กลัวเลยก็ไม่กลัวอะไรไม่มีอะไรน่ากลัวอย่างมากก็แค่ตาย อยู่ที่ไหนก็ตายเหมือนกันเป็นนายพันก็ตายเป็นนายพลก็ตายเป็นนายสิบก็ตายเหมือนกันไม่มีใครหนีพ้นความตายไลยนะไม่กลัวอะไรแล้วสิ่งที่ตายก็ไม่ใช่เราทุกท่านไปยิ่งถ้ารู้อย่างนี้มันจะมีอะไรกลัวเว ล, วลาร่างกายตายไปแล้วก็ทำใจเฉยๆย เราไม่ได้ตายในแต่ละวันตอนนี้แบบนอนหลับบทีเรานอนเราไม่รู้ว่าบางทีถ้าเรานอนหลับตายเราไม่รู้ว่าเราตายหรือเปล่าไม่รู้ตัวได้เวลานอนเราก็เหมือนตายไปชั่วคราวตายชั่วคราวนนาเราตายแล้วเราเกิดทุกวันเราไม่รู้สึกตัวเออพอเราหลับตาไปนอนหลับก็ตายไปแล้วพอมริ่ตายขึ้นมาก็เกิดขึ้นมาใหม่ไปแล้วจิตใยังได้ร่างกายเก่าอยู่ แต่ตอนเด็กๆเราจะไม่ได้มีความรู้เข้าใจจะหนักเรื่องพวกนี้นะแต่เวลาเราแก่ๆเรารู้ว่าให้ก่อนตายเรื่องเข้าใกล้ไหมใ่วัน น, ออนี้เราจะเริ่มมาสนใจว่าเราจะตายยังไงใช่เราก็รู้ว่าอ๋อถ้าเราเมื่อคือดอนหลับแล้วเราตายเรามีรูปตัวใช่ไม่ได้สังเสียด้วยพราะเราไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ก็ต้องสั่งไว้ก่อนทำวิญญาณกรรมไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนออ เมื่อกี้ท่อาจารย์พูดต่อนจะตายเนี่ยกลัวคือบอกว่ า, าถ้าเกิดเราคือตอนนี้เราลากตัวเองเป็นิพพานได้แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ไม่ทำอะไรเช่ไหความที่เราตายก็บุญกรรม <c oughs> จะลากไปแทนแต่ถ้าบุญถ้าบุญเป็นแค่ระดับนิพพานมันก็จะลากเราไปนิพพานเวลาเราตายชตเช่นพระพุทธเจ้าเวลาตายบุญของพระเจ้าก็เป็นนิพพานเลยก็พาเป็นนิพพานางั้นเราต้องสร้างบุญให้อยู่ในระดับนิพพานให้ได้เตั้งแต่ตอนนี้ พอเป็นนิพพานแล้วเวลาตายบุญนี้ก็จะพาเราไป น, านิพพานคนยังไม่ได้พามันถึงอยู่แล้วพอเราปฏิบัติบรรลุแต่นเล่นพานิพพานจิตมังถึงนิพพานแล้วีพระอาจารย์เมื่อไรทจิตย่างนี้ทจิตเมื่อไหร่ยาเลยไปเรื่อยจิตมันเลื่อนจิตมันถูกถูกขลิ่นมันก็ชำระชำระโรคโ ก, กนลงชำระความมันก็ส า, าขึ้นไปนเรื่อยแต่ในที่สุดมันก็บริสุดเต็มที่ ก็เป็นพันที่ผ่านไปมนเป็นแบบดำละเอียดแบบใจทำได้แค่นี้ใช่เ็เหมือนการกรองน้ําเนี่ยถ้าที่กรองมันละเอียดมันก็กองได้เยอะกรองไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้ําก็ใสสะาเนี่ย <Yeah. S 1> สินสมาที่ปัญญาเนี่ยเป็นตัวกั้นกรองอสิ่งที่เป็นเขาเรียกเครื่องเศร้าหมองก็คือกิเลสเครื่อ ง, องเศร้าหมองทั้งหลายให้หมดไปจากใจ ใจก็จะไม่มีความเศร้าหมองหรือเหลืออยู่มีแต่ความสว่างสวยมีแต่ความสงบมีความสุขอย่างเดียวใจของพระพุทธเจ้าใจของพ่าลานทั้งหลายเป็นอย่างนั้นพรถึงขั้นนั้นแล้วก็ไม่มีวันเสื่อมด้วยเพราะไม่มีตัวที่จะมาทํำให้มันเสื่อมตัวที่จะทําให้เสื่อมถูกกรองออกไปหมดแล้วก็คือความเศร้าหมองต่างๆปิเลตต่างๆแต่ถ้าตันด้วยสมาธินี่มันไม่ได้กําจัดมันเพียงแต่ตกตะกอน เหมือ น, น, นกับเหมือนกับแผ่นสารสม้มสิ่งที่เป็นปฏิกูลทั้งหลายมันก็จะตกตะกอนแยกออกจากน้ํำไปแต่พอพอเราไปเขย่าน้ําเข้าไปคนน้ําเข้า อ, อตะกอนมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่มันไมไ่มีปัญญาในหมตะกอนหรอกใช่ถ้าปัญญามันจะกรองออกไปเลยเขาออกไปแล้วน้ําก็ไม่มีวันที่จะขุนได้แต่สมาธินี้ขุนได้เวลาอยู่ในสมาธินิสัยเหมือนกับอยู่ในนิพพานเลย ออกจากสมาธิมาครับมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ความโลภความอยากเกิดขึ้นแล้วเริ่มเริ่มขุ่นมัวขึ้นมาแล้วสุดสุดว่าติมันมีวาสุดสมาธิมากๆติมันก็จะมีพลังมันถูกข่มมีพลังแต่มันแต่มันไม่สามารถกําจัดกองกิเลสออกไปได้ต้องใช้ปัญญา<ม>ถ้าไม่ระมัดระวัาวางออกจากสมาธิมาหนองตัวเองก็อาจจะถูกกิเลสหลอกเข้าไปให้ไปทํา สิ่งที่เสียหายกับตนได้ไปทำตามความอยากของตัวเองคิดว่าเป็นผู้พิเศษนะจิตเข้าเข้าฌานเข้าสมาบัติได้นะทีนี้ก็ใครใครให้เงินให้ทองมาก็ซื้อของแหลกแล้วมีครูอไม่มีครู หรือไม่รู้ไม่อาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้อบ้านขึ้นมาเองไม่ใครไปพิสูจน์ได้ว่าก็สิ่งที่เขาพูดเป็นจริงอย่างไรใช่ไหมแต่ว่าคนไทยเราเป็นคนเชื่อง่ายยิ่งผ้าเหลืองพูดนี้ไม่กล้าไม่กล้าที่จะไปสงสัยเพราะมีผ้าเหลืองแท้ก็มีผ้าเหลืองปลอมก็มีเดี๋ยวไปสงสัยในื้ผ้าผ้าเหลืองแท้มันก็จะมันก็จะไม่ไม่ได้รับประโยชน์ใช่ไหม ก็เลยเชื่อไว้ก่อนดีกว่าแล้วพอดีไปถูกกับความโลภของเขาด้วยเพราะว่าเชื่อองคนี้เราจะร่ำจะรวย <c oughs> จะได้จะได้เป็นนายผลด้ไปทกํ <c oughs> กตะาุญกับคนนี้ <c oughs> จะไปไหมละ่ะ <c oughs> ใช่ไหมแล้ว <c oughs> ที่เขาไปกันก็เพราะเขานั่มือกันอย่างนี้แหละ สมัยก่อนก็หลวงตาจันเคยได้ยินข่าวเนี่ยอ่าโอ้สมัยหน้าพวกนายพงษนายพลนี่ขึ้นกันเยอะเลยเนี่ยเอออว่าเดียวผมเออคณะศึกแล้ศึกไปแล้วยังมีคนขึ้นอยู่นะอ่ได้เอก็ยังเชื่ออยู่ใช่ไหมอ่าคงจะมีแหละแต่เป็นพลังของสมาธิเอองไม่มีมีลูกสินต้องหาติดตามขนาดนั้นอ่า ก็ยังมีคนไปนะตำรวจเป็นตำรวจนะพวกนี้ไม่ตายนะอย่างยันตะก็มีลูกศิลป์ลูงหาอยู่ตรงนอกนิกกรนิกกรก็ยังมีลูกศิลป์ลูกหาไปหาอยู่พวกนี้เขาคงจะมีมีพลังทางสมาธินะเราสามารถที่จะทํา ทำให้คือคนที่ไปนี่ก็คือใาศแปบลบว่าคนเห็นได้เขาก็อยากจะได้ตามคือมันไม่ได้ทุกคนอะแต่มันเป็ น, เ ป, นเป็นก็เป็นกฎของความเป็นไปได้คนร้อยคนไปอาจจะได้สักสองสามคนคนสองสามคนนี่ก็ไปโพธนาไปไปประกาศคนอื่นที่ไม่ได้ก็อยากจะได้ก็ไปกันไม่ได้ก็ถือว่ายังบุญไม่ถึงยังทําไม่ถึงก็ทําทต่อไป แต่ความจริงเขาพวกนี้ไปไปเราไม่สามารถที่จะไปไปสั่งมันได้หรอกถ้าสั่งมันได้ก็เป็นนาย ก, กันทุกคนแล้ว้งใช่ไหมในความเชื่อมากกว่ามีความหลงมากกว่าเห็นคนอื่นได้ก็คิดว่าเราก็จะได้เหมือนเขา คนเขาคาเขาเป็นพระโสดาแล้วเขาเป็นรับรองพระอรหันต์ได้ม่คิดแบบพระโสดาไปรับรองว่าอาหานต์ได้ไงคนจบปริญญาตีไปรับรองคนจบปริญญาเอกได้ไงไม่คนระดับกันอย่างที่้นหเสือหรือว่างูงูที่ติดต้อนนี่เป็นข่าวค่ะนิ้วหันนี่ทำมางูกรมดาธกระดาษที่เล่นไหนต้องแบบต่เข ประกาคตวามว่าเขาเป็นพระโสดาบันด้วยการบวเดเพียงคำสาเดียวและปัจจุบันก็ามันนี้ชื่อหนึ่งในสามที่รับรองเรื่องความไม่เป็นคนารา <c oughs> ์บอนก็เลยบอกว่าเอ๊ะตกลงมันก็ของฟอมชั้งพระโซดาฟอมเลือกเป็นผสดาบานัน <c oughs> ดอกเตอร์เลยครด็อกเตอร์ค oh, ่ะดอกดอเตอร์แก่ๆทีคนไม่แกหรือเปาไม่รู้หนสือไขอ๋อรู้แล้วครับดองเรียนทำสารตรวจถามว่ว่าเมนสบเรีน้าหคะ ไม่รู้นอกากนักเสเป็นพระโสดาภายในหนึ่งมีสเรา็นเขากปฏิบัติ้วก็เหมือนตั้งสัญญาต้ไม่ไปต่อเพื่อจนคงชื่เยอะอควรยินพวกพูดแต่ยันพวกพพยายามอยากสงสารทีสุดะบางพระโสดาทองว่าผมนี้เป็นพระอะไรนักเสือพิมพ์เขาเชืห้ไมเชื่อ อ่ขาอีลเป็นิคือช er> ูเหมือนกันพร่าอาจะฮาฮ มมตเราเคยไปทาบุญแบบเล่นคั่งนี้ครับแล้ ว, ลวตอนทําบุญเนี่ ย, เ, ย, ยเราก็ไม่รู้เนี่ยเรถือว่าเราได้บุญที่เราทําคือบุญมันมีสองส่วนไงบุญที่เกิดจากการเสียสละนี่เราได้เต็มที่เราชนะกิเลสชนะความตณีชนะความหวงตอนนี้เราได้เต็มที่ไม่ว่าเราจะให้กับใคร แ่บุส่วนที่สองคือประโยชน์ที่เขาจะไปทํานี้อาจจะไม่ได้เช่นเขาที่สําคัญตัวนี่ส่วนที่สองไม่สําคัญก็จะไปทำไรมันเหมือนกับเราถูกคนหลอกเนี่ยหลอกว่าจะเอาเงินไปเรียนหนังสือแล้วก็เอาเงินไปเที่ยวอย่างลูกหลอกเราอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ให้เขาไป ไม่ไรครับคุยด้เลยครับผมว่าใครเยนั่นก็เนี่ยไม่ต้องกังวลทาบุญกับใครนี่ถ้าเราทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่ต้องการเสียสละบริจาคเพื่อให้คนอื่นได้รับประโยชน์จากการเสียสละของเราที่เราได้เต็มที่แล้วทำกับพ่อกับแม่ก็ได้ทำกับเพื่อนก็ได้ทำกับใครก็ได้ที่เขาเดือดร้อนก็ต้องการความช่วยเหลือจากเราเนี้เราทำให้เขาส่วนเขาจะไปทำอะไรต่อ ไอเรื่องของเขาละเองเขามาหลอกแล้วว่าจะไปจะไปเรียนหนังสือแล้วก็เอาเงินไปเทีย่ยวอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นโทษกับเขาเองท่านครับตอนที่ท่านจอยให้ให้ใช้ปัญญาใี้เป็นอะไรครับพยายามมันไม่แยกไทยโยนท่ตมันไม่มันไม่เพราะมันยังยังไม่เห็นชัดยังไม่เห็นยังไม่เห็นว่าไม่เที่ยงยังไม่เห็นว่าเป็นทุกยังไม่เห็นว่าเป็นลูกรเบิด ไอ้แล้วก็ลุกระเบิดนี่ไม่กล้าไปแตะมันใช่เรายังเห็นว่าเป็นขนมอยู่เรายังเห็นว่ามันดีอยู่มองไม่เห็นนะต้องคิดถึงตอนที่มันเสียไปเไอ้จา่งเราไปสมมติเราได้มาแล้วข้อจา่งเราไปนี่เป็นยังไงต้องคิดถึงตอนนั้นต้องต้องดูความไม่เที่ยงของเขาใช่ได้ได้รถมาแล้วเกิดโดนขโมยไปอย่างเงี้ย แล้วโดนชนถึงแม้เราจะถงยังไม่โดนขโมยแต่เราก็พยายามคิดว่าถ้าขโมยจะรสึยยังไงจะรู้รอมก่อนก็ดูความไม่เที่ยงเนื่ๆทุกอย่างหมดอ่ะให้พิจารณาตอนที่เราสูญเสียเข้าไปแล้วเราจะไม่อยากได้ได้มาเดี๋ยวต้องเสียไปเ่อยล่อยเราไม่เห็นความเสื่อมความความดับของสิ่งที่เราอยากได้ เมื่อทได้มาแล้วจะอยู่กับเราไปตลอดจะดีไปตลอดจะไม่มีวันเสียพอรถเสียแล้วก็ปวดหัวถ้าเสียแล้วท่อมไม่หายจะยิ่งปวดหัวอย่างที่รถออกใหม่เนี่ยต้องเข้าอทุกเจ็ดวันทุกสามวันนี่อยากจะทุบมันทิ้งเลยใช่ไหม <S <S เอออนั้นทุกข์กว่าดูคนที่เขาถึงกับประกาศออกทางหนงังสือพิมพ์นะซื้โรถออกมารับบริษัทก็ไม่ยอมไม่ยอมเปลี่ยนให้เหนี <S <S ่ย ต้องคิดถึงตาถึงเวลามันเสื่อมเวลามันหมดไปซ้อมก่อนอใช่คิดไปเรื่ ค, ค่อยๆปล่อยไปใช่โดยเฉพาะเวลาที่เรายังไม่คิดว่ามันควรจะจากเขาไปาเวลามันควรจะจากเขาไปล้าก็อาจจะเตรียมทำใจได้แต่ถ้ามันไปแบบก็ทันทันแบบที่เราไม่ทันคิดว่ามันควรจะไปเชื่อมาได้สองวันหายไปแล้วอย่างนี้แตคือ ถ, ถ้าเราซ้อมคิดก น, นี้มันหมดแล้วก็่ายมา เรามองโลกในความแง่ความจริงม mm. mm. ันไม่ใช่เราชอบมองใน่แง like? ่บวกไงเราไม่ยอมมองแง่ลบโลกนี้มันมีทั้งบวกทั้งลบน้นเราต้องมามองแง่บเพมาะแง่บวกเรามองชัดอยู่ตลอดเวลาบางทีพอเรามองลอยๆบางทีไม่อยากได้เลยได้เราจะเร้านิดหนึมงอยู่ตรงนีไม่ๆก็เรายังรักมันยังเสียดายอยู่แต่ต่อไปมันจะมันจะดีขึ้นมันจะไม่เสียใจเวลาอะไรอย่างนี้ยงเปน้าว่าแบบโอชอบแบบ คิดอะไรแล้วมันไม่มีความสุขไม่ได้ลงทีจริงมันเป็นการช้อตับกันบ้านก่อนเวลาเข้าห้องสอบจะได้ผ่านได้ปัญญามีสามขั้นไงขั้นแรกก็คือได้ยินได้ฟังเหมือนเข้าห้องเรียนบอกฟังว่าเราต้องมองความจริงยังไงเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ไปทําการบ้านคิดถึงความจริงด้านลบบ้างอย่าไปคิดแต่ความจริงด้านวก แล้วต่อไปเวลาเกิดความจริงด้านลบขึ้นมาเราจะได้สอบผ่านไนดะ้เราจะได้ไม่ทุกข์กับถ้าเราไม่ทำการบ้านซ้อมไม่การพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเราจะรับไม่ได้<ม>เตรียมตัวไม่ทันปัญญาวิสามขั้นสุตตะมยจปัญญาก็คือการได้ยินได้ฟังจากครูอาจารย์กินตามมัจญปัญญาก็คือการเอาไปทำการบ้านเอาไปคิดอยู่เรนะื่อยๆภาวนามยจปัญญาก็คือเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมา ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วเราไม่ทุกก็แสดงว่าเราสอบผ่านต้องคนแรงคัเกข้าิดสุดๆเลยหนูคนที่เรารักทักวันหนูคนก็ต้องจากเราไปอ่ะหรืไม่จากก็ได้เป็นธรรมพุทกรรมภาพเมื่อเช้านี้มีเมื่อเช้านี้มีคนหนึ่งผู้ชายอายุหกสกว่าเนี่ยท่อนล่างนี่ทำอะไรไม่ได้เลยต้องคนพยุง เราจะรู้สึกว่าเป็นอย่างไรอย่างร่า น, นการของเราทุกคนจะต้องเป็นอย่างไดอย่างหนึง่งเผ่อวิ่งภาวนาหรือปฏิบัติอาการย์ยิ่งเจอทุกข์ิงอยากวิ่งเข้าหากันนะครับเพื่อดูดว่ามันว่าเราสู้มันได้ขนาดไหนก็แสดงว่าเราอยากจะเข้าห้องสอบ <c oughs> ครับ <c oughs> พอดีเห็นทุกขนทงนี้ไม่ใช่เรื่องเราลองเข้าไปดูหน่อยเอะ ถ้าจิตเรามันก็ไม่กระเพื่อมก็สบายก็ได้อย่างพระก็วิ่งเข้าหาป่าไปป่าช้าก็ไปอย่าอยาจะไปพิสูจน์ดูไปหาความทุกข์ดูว่าจะจะผ่านมันหรือไม่อย่างเงี้ยก็ไปอยู่ในที่ยากลําบากแต่ไปอยู่ที่โหดอยากขาดแคลนแล้วดูซิว่าใจจะทุกข์หรือไม่อันนี้วิ่งเข้าหาความทุกข์ ที่เขบอกว่าไปดูแล้วเหมือนรู้อยู่เฉยๆนะครับความหมายคืออะไรครับท่านใจไม่ไม่ไม่กระทบกระเทือนไงอ๋อไม่เอาติดเข้าไปใจไม่เดือดร้อนไม่ครับอ๋อขึ้นรู้เฉยๆตัวที่ใจไม่เข้าไปใครดาแล้วก็เฉยอย่างเงี้ยออรู้เฉยๆใครตบหน้าแล้วก็เฉยอ๋อความหมายไม่คือแบบใครกัน ใครใครกัรแจ้งใครกันใครใจไม่ต้องมาเพิ่อใจครับฝึกใถงานครับเช้าเนี่ยถ้าเราเปิดอินเร์เด็ตหรือนังสือพิมครับเราดูข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์เกี่ยวกับเรื่องที่นเขาชอบแล้วเราดูแล้วดูเราดูเฉยๆกับเรื่องนาดไหนถ้าจิ๋จะนิงกัเรื่องของเขาก็ปล่อยไปิ่งดูเฉยๆแ่นะถ้าวันนี้ เรายังไปตามเรื่องนี้เรื่องนี้อยู่อ่ะเราก็พัฒนาไปเรือ่อยแต่ไม่ไง่ายเปิดหนังสือพิมพ์บูขาลวลนะไม่ง่ายอแต่นี่มันยังไกลไกลตัวขอนนไกลตัวนี้ของไกลตัวเรียกว่ า, า, าแต่เราลองของไกลตัวก่อนอเอาของง่ายก่อนและของง่ายยังทำไม่ได้ของไกลตัวนี่ของยากนี่จะทำยากทาไม่ได้รู้อยู่เฉยเพราะว่า ถ้ามันเป็นามหลักความจริงตรักแล้วมันก็เข้าใจได้ก็ปล่อยวางได้แล้ว่อยรูต่เงรับได้รับความจริงได้ถ้าเฉยได้ขนาดนั้นสบายนล้ไม่ได้อาจาย์จะบอกตลอดว่าให้มองเป็นไปรักครับมีเกินจะก็ก็เกินตัดเตัตลอดนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติเดียครับมีเรื่องเรื่องไปสนใจแต่เรื่องของเราวันนี้ก็ธรรมชาติก็ปันจะ่าเปฏิบัติ โน้ตเวลาได้ชอบเปิดเทปซีดีพารเทีเลยคะเราจะรู้เรื่องพาร์เทียถืได้สิก15นาทีข้างนเองแล้วมันก็จะได้ยินกระเสียงูไปจนจบก็จะรู้ว่าจบนะคะแล้วก็โอเคจบแต่ว่าหลังจาก15บห้นาทีไปก็จะแสดงจิตเราสงบจิตเราสงบแล้วไงเพราจิตเราสงบเราก็ปล่อยวางใช่ใช่เพราะเราไม่เพราะว่าเราไม่ได้ฟังเพื่อให้เกิดปัญญา ถ้าเราเกิดให้ฟังด้วยเพื่เกิดปัญญาเราจะพิจารณาตามจำจะติดตามไปได้ทุกขั้นตอนเลยแต่บางทีปัญญาเราไม่ถึงฟังแล้วพิจารณาตามไม่ได้เราก็เราก็หยุดฟังเราก็ฟังให้ให้มันสงบกันเองแล้วแต่กำลังของเราว่าระดับจิตของเราตอนนี้อยู่ระดับไหนถ้าเราอยู่ในระดับแค่สมาธิมันก็นั่งฟังพอจิตสงบแนละ้วมันก็ มันก็หยุดละมันก็ไม่ฟังแล้วมันก็เฉยๆแต่ก็ไม่ได้หลับไม่ได้ไม่ได้หลับนู่นไดยินเสียงแต่ไม่สนใจจิตสงบนะอย่างนี้ก็เป็นการฟังเพื่อให้เกิดสมาธิถ้าจะฟังให้เกิดปัญญาเราต้องพิจารณาตามด้วยเหตุผลที่ท่านแสดงอย่างที่เราคุยกันอย่างเนี้ยออย่างนี้เราฟังเพื่อปัญญาอย่างนี้จะไม่จะไม่หยุดแล้วไม่หยุดฟังจะจะฟังต่อไปเรื่อยๆจนถึงถึงจบเลยไม่ยุดค่ะลับก็เรื่อย แล้วติดเนี <ไง S 2> <ร>่ยแล้วติดสมาธิไงพอเรานั่งแล้วเราก็จะติดฟังไปเพื่อให้มันสบายพอสบายแล้วเราก็หยุดนะไม่ไม่คิดไม่อะไรแล้วแต่ถ้าเราต้องฟังให้เกิดปัญญาเราต้องพิจารณาตามอย่างที่เหมือนกับที่เราคุยกันตอนเนี้แต่ทางเทปเนี่ย สงบนะคะแต่ว่าจะมานั่งสมาธิหายลมหายใจันทาไม่ได้คที่ว่าเดิไอ้ิ่งมันปยังไงมันดก็ลองทาก็ลองฟังเทพไปก่อนเลยพอจิตสงบก็ปิดเทพแล้วก็ดูลมต่อไปดูลมต่อไปแ้ต่อไปมันจะดิท่านดูลมอย่างเดียวนี้มันจะดิ่งเดียววย เหมือนที่เจ้าเือนคุ้คือนของต้องรู้ให้ตัวเองไม่เคยหมือนตกเล็กอย่างเงี้ยลงช้าลงเร็วมันแล้วแต่บางคนก็ลงเป็นขั้นๆลงปุ๊บหนึ่งแล้วก็ปุ๊บหนหนึ่งลงไปเป็นขั้นอหลังไม่ได้แล้วก็อยากให้มันได้ไม่ได้คนต้ไม่ด่าไม่อยากมันมาเองไม่ได้ไม่ค่อยได้แล้วไม่อยากอย่าไปคิดถึงอดีตอย่าไปอดีตอย่าไปอนาคตให้อยู่ปัจจุบันให้อยู่กับงานที่เรากาลังทาอยู่ ดูลมก like, like ็ดูลมไปเราใช่แล้วภาวนาแล้วก็ภาวนาต่อไปแล้วผลมันจะตามมาแต่ถ้าไปคิดถึงผลว่าเคยเกิดอย่างนี้ทํำไมไม่เกิดตั้งแนี้ไม่มีวันเกิดแต่ว่าตอนผมเล่นให้ดิ่งแล้วให้ดิ่งได้เนี่ยไม่ต้คิดอะไรเลยครับอาารอ๋อแสดงว่าจิตเราว่างพอดีจิตเราไม่คิดอะไรมันก็เลยดิ่งเข้าไปอย่างที่ต้องก็เป็นแบบเขาไม่ต้องดูลมหายใจเอาจะปวดหัวบอกเขานั่งเขาแต่อันนี้มันได้ผลเดียว ไปให้ทำใหม่ก็ทำไม่ได้อกมันปัจจัยมันปัจจัยมันพร้อมเลยปัจจัยมันพร้อมเหมือนก็เลยเข้าล็อกของมันไปมันโถอันวันเนี่ยเ่ไนี้เลยไม่แต่หลายครั้งนะที่ไม่ดูอะไรไม่ควบสารหวนไงถ้าแน่จริงก็ต้องได้ทุกครั้งใช่ไหมแต่ควบคุมไม่ได้อว่าเข้าดูแลเหมือนกันแล้วปวด ไม่แต่ต้องก็ลองคิดถึงวิยาน้มดูเด็ดแล้วลองทาใหม่เดินจงกรมก่อนเดินจงกรมก่อนแล้คอนึมง่อยดพอดน้วยแล้วก็มานั่งอย่างนี้ได้มหมุนไงเพราะมันมีมาตั้งแต่ตอนเดินนั่นแหละดูดูความขึ้นไหวก็ได้ใช่ไอะไรก็ได้ขอให้ใจเราอย่าไปคิดเรื่องต่างๆให้อยู่ในปัจจุบันให้ว่าให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้แล้วการนั่งที่ต้องแบบว่าวน อันนั้นอีกขั้นหนึ่งอันนั้นอีกขั้นหนึ่งท่านวิปัสสนาเกิดรังการผ่านทุกเวทนาอันนั้นต้องให้เรามีสมาธิมีกําลังก่อนต่อไปแล้วผ่าดูจนเวทนาหานะครับอันก็เหมือนเราสู้กับควาเก็บปวดเราไม่ได้ว่าแบบมันถูกเฉยนะไม่ถูกเราถูกแล้วต้องอย่าไปสู้มันเราต้องแลดเต้องรับมันต้องชอบมันเอที่เราสู้แสดงว่าเราต่อต้านมัน เราทนมันเราอย่าไปทนมันเราต้องชอบมันต้องพอเจอมันแล้วมีความสุขกับมันนี้แล้วเราก็จะไม่เราก็จะไม่ทุกข์กับมันแสดงว่าถ้ามันยังไม่ถูกกับเราเราก็ยังย่าพึ่งไปเรายังต่อต้านมันอยู่ใช่ค่ะก็เหมือนเราต้องไปทนอ่ะทนกับมันอ่ะกระดับโหดเจ็บมากแล้วคือโมโหเราต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเราที่เราจะต้องเจอแล้วถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องทําใจไปดูเบกคขาเวลาเจอเขาทําใจเฉย อย่าไปปฏิเสธเขาอย่าไปอยากให้เาหายไปเราจะมาก็มาต้อนรับเขาใใช่ตายแล้วเขาเป็นธรรมจิตได้จริงไหมก็เป็นอนัตตาเราไปห้ามเขาไม่ได้ต่อไปเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะได้ไม่เดือดร้อนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องกินยาแก้ป่วยก็ได้ไม่มียาก็ไม่เดือดร้อน ในภาที่ท่านอยู่ในป่าไม่มีหมอไม่มียาท่านใช้เนี่ยท่านใช้วิปัสสนาท่านผ่านเวทนามาได้แล้วท่านจะไม่วุ่นไวายไปกับความเจ็บของร่างกายเจ็บก็อยู่ก็บมันไปยังทำอะไรได้ก็ทำไปยังเดินได้ก็เดินเดินไม่ได้ก็นอนแต่ใจไม่ใจเหมือนเดิมใจเหมือนกับตอนที่ร่างกายไม่เจ็บใจไม่ทุกข์ไม่วุ่นไวายไปกับการเจ็บของวมความเจ็บของร่างกาย อันนี้ก็ต้องซ้อมไว้ก่อนนั่งแล้วปล่อยให้มันเจ็บนั่มันหายเองใจก็ <c oughs> หายเองได้จริงๆหายเองได้แต่ต้องทำบ่อยๆต่อไปมันมันเดี๋ยวเดียวพอมันเกิดปับ๊บเราก็ปล่อยได้เลยมันหายไปเองได้ยังไงคือมันไม่หายแต่ใจเราใจเราไม่วุ่นวายไปกับมันมความทุกข์หายความทุกความทุกข์ใจหายแต่ความความเจ็บของร่างกายไม่หายบางทีก็หายบางทีก็ไม่หาย ใจไม่วุ่นวายใจสบายใจเข้จักแต่ว่ารู้มั้ใช่ต้องเรใยนรู้ทฝึกสมาใช่ที่ต้องกต้งฝึกสมาธิก่อนท่านทาไมมันทาไมบางครั้งน่ะเวลานั่งบางครั้งน่ะนั่งคึ้งชั่วโมงปวดแล้วแต่บางครั้งเป็นชั่วโมงไม่ปวดอยู่ที่สติเราไหมแล้วสมมติว่าปวดเนี่ยครับแล้วพอรู้ขึ้นมาบางทีเดินได้ปกติได้บางทีเพราะอะไรครับถ้าสติเรามีจิตจะสงบมงย สงบแล้วก็จะไม่ปวดไม่เจ็บแล้วก็ลุกเดินได <อ S 1> ้ยยสบายเลยแต่บางครั้งนั่งขึ้นมุ้นเดิน<า>ดไม่ไหวใช่ตอนนั้นเจ็บไม่สงบสติ<อ>มันจิตค<อ>วบคุมความคิดตรงแต่งไม่ได้จิตมันอยากจะลุกอยากจะไปทํานู่ทนทํานี่อยากจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ตอนนั้นนในก็จะเจ็บแล้วก็จะปวด ว, วิธีเข้าสู่สมาธิอาจารย์ใช้วิธีจำป่ะครับ อ, อย่างผมเนี่ยจะใช้วิธีว่าสมมุติว่าอารมณ์ตอนเนี้นิ่งตอนเนี้ยสมาธิแล้วเราจําความรู้สึกนั้นไว้ แล้วพอครั้งหน้าเรามาเริ่มใหม่เอาอารมณ์ที่เราจาไว้ตัวนั้นมาตอ้างขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเราใช้อะไรให้มันเข้าได้ก็ใช้ได้ทั้งนั้นอาจรใช้จครับเไม่รเราใช้ใช้สติอย่างเดียวใช้ดูลมใช้หยุดความคิดดูความคิดเราอยาให้มันคิดดูลมอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็เข้าไปแล้วถ้ามีมีกาลังมากๆไม่ต้องดูลมไม่ต้องใช้อะไรเพียงแต่ หยุดความคิดแป๊บมันก็เข้าไปเข้าเองเลแต่ก็ต้องมีเจริเสติมาตลอดสติมันมีกําลังมากสติมันชานาญแล้วมันสั่งให้หยุดขึ้นได้ทันทีต้องมีการเจริญสติในตอนตอนตอนปกติด้วยเหมือนกับขับรถอะใหม่ๆแล้วขับแล้วก็ต้องเข้าเกียร์นู่นเกียร์นี้จับนู่นจับนี่ต่อไปชํานาญแล้วไม่ต้องคิดเลยมันไปเป็นขอมันอัตโนมัติ สติต่อไปเราไม่ต้องไปไปสั่งไปดูลมไปตั้งอะไรเราบอกให้อย่าไปคิดอะไรถ้ามันก็หยุดล่ต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเป็นปีๆจนปีก็ชาตินี้ก็เจ็ปีถ้าตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนมุสยามได้ก็ไม่เกินเจ็ดปี ไม่หลายชาติหรอกตชาตินี้ก็ทำได้นะคุณแม่สบายดีนะคุณแม่ของเราก็สบายนะทั้งสองคนคุณแม่ก็นานๆก็แะมาทีนี้ก็มาช่วงที่ตอนนั้นมาบริจาคท่างกุฏิอะไรกันนี่ที่พระปฏิบัติธรรมคุณแม่ก็ยังเหมือนเดิมยัง แข็งแรงยังหลต้องรู้เวลา2อถึงส่ไม่ได้ดเวลาถ้าถึงมาเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็คือประมาณช่วงบ่ายครับบ่คือถึงสทุกเสาร์อาทิตย์ไม่มีทุกวัน่ทุกวันแต่ว่าาคนน้อยเนี่ยก็จะเหมือนคุยกันได้ธรรมดาถ้าจะคุยกันก็ต้องรอสัก3ามโงกว่าเวลคนส่วนใหญ่กับแล้วอย่างตอนนี้ก็คุยกันได้ พวกจะยัดยาจะมามีก็มีแม่กันเราคุยมาลอยอังคารกันเนี่ยมาลอยอันคารมาเป็นเป็นคุณหมอครับแล้วท่านปฏิบัติมันเยวะคุยอยากเนีนยาคแต่พรุ่งนี้คนจะมาเยอะนะพรุ่งนี้มีคณะยุทธธรรมมาไม่เขาบอกเขาจะแม่มาแล้วก็จะตอนนี้เหลือสี่ตัวับเพราะว่าผมไอ้ตัวหนึ่งไปซ่อมเล้สองตัวสั่งไว้ก็รมันหาคลื่นเปลีนต้องสั่งไว้ก็เลยถ้ากับสี่ตัวก็น่าจะพอท่านก็ไม่เป็นไรเราบอกเขาว่าให้เ้า เตรียมไว้ในรถถ้าเผื่อไว้เผื่ อ, อคุณไม่มาหรือว่าเผื่อมันขาดแคลนอะไรแล้วก็ให้เข้ามาเ<อ>ขาบอกเขาเพราะเขาเห็นว่าคุณทําแล้วเขาก็เลยไม่อยากที่จะมามาทำประชันกันอ๋อไม่ต้องประชันนะครับเอาไปได้เลยครับแต่ว่าเราก็ปกติก็บางทีมันต้องประสานกันก็เลยไม่เป็นไรพวกนี้ดูก็แล้วกต่ลองใช้ก็องวางแบบแบบวันนี้ดูน่าจะพอแหละวันวันนี้ก็พอครับได้ดีครับเสียงดีด้วยนะ เสียงก็มันมันต้องลองผิดลองถูกเยอะครับบางทีมานานอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีคนก็ถวายพระจารยมาอสองตัวแต่ว่าสั่งอยู่ยังมาไม่ถึงตอนนี้มีเจ็ดตัวแต่วันนี้ใช้แค่สี่ตัวแวนน <c oughs> ต่ออยังให้ 4, สี่ห้าสิบคนขึ้นไปก็มีให้แค่ส <c oughs> ตัวก <c oughs> ็ไม่มากหรอกวันนี้ก็สามสิบกว่ายอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้นั่งตรงนี้ก็พอเหลือเฟือยเนี่ กนีตัวนี้ตัวเดียวในศาลานี้ก็พอเอะอครับอาจารย์เพราะว่ามีกี่ตอนที่อาจารย์ได้ผลที่ลองลองเดินาฝ่งอ๋อเนี่ยพอเหลือเือสี่ตัวนี้ก็พอตอนเช้าเพราะจังก็เทะเทศตอนเช้าเช้าเที่ยวกวพระโอเคอันนี้ก่อนนะได้ไได้ตามรับฟังบ้างหรือเปล่าครับในเว็บนะครับ ไม่เข้าไปเยี่ยมเปิดซีดีบันกระถามนิดนึง u ูทเนี่ยถ้าเราไม่ได้เปิดบนวาการสามีเนี่ยเป็นธรรมดาทำยังไงไม่ให้มันสะดุดนะมันสะดุดถ้าถ้าเกิดมันมันแชร์รอยก็กดกดเท่นะครับกดกดเทถ้าเอกธรรมดากดเทแล้วก็กดให้มันพอไว้ก่อนแล้วก็ให้มันโหลดจนไปก่อน ต้องรอให้มันโหลดขึ้นไปเรื่อยๆก่อนรอไป้ก่อนแล้วพอสักพักหน่พอมันเริ่มโหลดไปได้เยอะแล้วเราให้กดแล้วมันจะยาวได้นะเอชเลาตั้งแต่เรผมก็ใช้เก็บบางทีก็ฟังได้เลยเกือบแล้วเกือบแล้วกดเ์แล้วก็กดอีกทีให้มันพอยพอพอยมันก็จะม่มันก็จะโหลดไปแล้วมันมก็จะวิ่งล่วงหน้าไปก่อนแล้วอย่มีช้าก่อนใจจริงเลยนะนะนั้นเวลานั้นตอนน้ำใส่กระป๋งเนี่ยให้มันน้ามันไหลให้เต็มก่อนแล้วเราค่อยเปิดกล้องดักน้ำอมาใช้ได้ ด้วยวิธีนึงก็หาตัวดาวนโหลดตัวตัวอันนี่ออกมาจากออโปรแกรมดาวโหลดเก็บไว้ในเครื่องเราแต่ตอนดาวโหลดแล้วก็ต้องมีความความเร็วสูงอ๋อคือไปดาวโหลดจาก Wifi ก่อนเออ Wifi ก่อ น, ไไอนมีใช่ไหมมีโปรแกรมที่ดาวนโหลดได้ใช่ไหมมีโปรแกรมดาวโหลด เอนจิเนียร์ก็รู้เนจิเนียร์เก่ามีมีอนจิเนียร์เก่า YouTube ดาวน์โหลดเดอเมันจะมีขึ้นมาเยอะแยะคือวัที่ออฟฟินี้เ็ไม่มี่ใครเลยงกลางวันนี้เราแอดแอดิดหนึ่งใช่ไเราไปแถวฐาร้านกาแฟที่ไหนมีไวไฟแล้วก็ไปดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องได้แต่ YouTube หลังๆนี่ผมจะทำเป็นแบบที่วใช้กับสาหรับแค่สหก ให้มันความไวให้มันให้มันต่ำมากสาหรับให้เด็กก็ฟังได้แต่ถ้าแรกๆเลยจะเป็นใหญ่แต่หลังๆเนี่ยขอห้ดีอนี้ก็กดยังไงก็ฟังได้เพราะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เราไม่ได้ดูภาพอยู่แล้วแล้วแต่เสียงอย่างเดียวใช่ไหมสุใหญ่สุใหญ่แต่เดี๋ยวคนก็เริ่มคิดถึงแล้วครับเดี๋ยวก็ต้องถ่ายวิดีโอบ้างแล้วถ้าสมยคนกอยากดูแล้วกเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้คุว่าถ้าบางทีบางครั้งเห็นล่าด้วย เพาเราไม่ต้องหลับตาเนี่อเพราะอย่างในเหตุเนี้ยถ้าจะหลับตาปุ๊บแล้ก็จะเอ่ดสี่สิบนาทีสิบห้านาทีไดไม่หลับลูขอรูปพระอาจารย์ไปัไม่ได้ต้องเห็นพระอาจารย์ขยับาต้องจะเสียงพระาจไม่มีล็อกเก็ตเลยไว้ของปอของปอมนั่นแหละเอาของจริงเนี่ยธรรมะเนี่ยของแท้ของพวกนั้นดับความทุกข์ไม่ได้อันนี้แหละดับได้ เฟซเฟซพวกนี้เวลาคนก็เป็นเพื่อนนี่เขา